อาจารย์พรท่านสา ธ, ธารณผู้บริสัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสิงหภาวนาท่านที่มีความสนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมสนทนากันได้วันนี้เราก็จะไปที่โตเกียวเช่นเคยกับน้องนุชนักคุน หายไปแล้วเลยหลับไปแล้วเลยค่ะกรรมธรรมสถารพระอาจารย์จ้ะค่ะหนูอยู่เมืองไทยละค่ะพระอาจารย์อ๋อและคนอยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะไม่ได้มาด้วยค่ะติดตัวไม่ดแล้วติดต่อเขาเป่ะติดต่อค่ะมไม่ค่อยดีเลยค่ะพระอาจารย์แล้วเขาว่าไงไหมอยู่กับพ่อเขาได้ไหมอยู่กับพ่อเขาเขาบอกว่าให้เจ้าจะอยู่เมืองไทยไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูพิถึงแล้วหนูจะเรียกขึ้นมาอ๋ออ๊ค ค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์จะไปตักบาตพระอาจารย์ค่ะโอเคอ่าวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์โอเคยังกะไปต่อเลยนะอ่ากลับนมัสการต้นค่ะอ่าไปที่จะแม่กับญาติเป็นหลักนมัสการพระอาจารย์ครับว่อย่างไรครับวันนี้มาส่งกันบ้านครับมีอะไรบ้างก็คือมี พี่เจนาพ<อ>ังเจอแกติดตายครับแล้วก็อาการ32สองครับเป็นยังไงกลัวไหมตอนนี้ไม่ค่อยกลัวครับอายไม่ได้ตายใช่ไหมใช่ครับอ่าเป็นอาการ32 ส, สองที่ตายนะโอเคดูพยายามฝึกสมาธิบ่อยๆเยอะๆใจยิๆๆๆไ่ได้ใจยิ่ง ไ, ไ, ไ, ได้วางเฉยได้ ถ้าไม่มีสมาธิก็จะจะตื่นเต้นตกใจอยู่ <c oughs> อโอเคมีอะไรจะส่งการบ้านต่ อ, นะอเนียเ้นมาเเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่มพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่งพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ, างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลาจัดจของรับของจเจริญใจทั้งหลายทุนปวง<ต>เรามีกรรมเป็นของของตน ม, มีกรรมเป็นผู้ให้ผล ม, มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พ่รอาศัย<ต>เราทํากรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นไท่อ่ะคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันท<ต>ุกวันเถอ พิจารณาอยู่เรื่อยๆนะอย่างหนึ่งมองให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ไม่ใช่เป็นที่เรื่องนมาตื่นเต้นตกใจโอเคนั่งไล่ต่อร่างกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็เนกระดูกเี่ในกระดูกม้าหัวใจตับ ทั้งผื่นไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเลื่องในสมองศีชะน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงอน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหล่น้ำตาน้ำมันข้น น้ำเนือกน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเลดน้ำดีเพี้ยในสมองสีสัน<ร>อาหารเก่าอาหารใหม่ใช้<ร>น้อยใช้ใหญ่ปอดไตของพืชตับหัวใจมา้าเพี้ยใกระดูกกระดูกดเอน็นเนื้อหนังฟันเล็บข น, นเวลาเห็นคนเห็นพวกนี้บ้างไหยเห็นอาการอันนี้นไหมบ้าง เห็นอยู่ครับเห็นเหรเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างสวยงามไหมไม่ครับอ่าเห็นของเราบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดเราจบก็เห็นเราก็มีเหมือนเขาเขาก็เหมือนเราน่ะรางกายของพวกเราทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครดีกว่ากันไม่มีใครสวยกว่ากันหลอกว่ากันน่ะเหมือนกันหมดอ่า โอเคไม่ทุกถามเลยไหมไม่ม uh ีครับไม่มีก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับโอเคยันก็ไปที่น้องตะวันต่อกราบขอบคุณพระอาจารย์ครับน้องตะวันมีคําถามหมครับครับครับมอสก้อพระอาจารย์ครับวันนี้ไม่มีคําถามครับเนียได้นั่งสมาธิสักวันหรือเปล่าใช่ครับ มันกี่ครั้งสองครั้งครับทั้งกี่นาทีสามสิบนาทีแต่มัก็มีละเอั้งที่ผมนั่งผมก็ทำสามสิบนาทีแต่ทับผม เ, มเมหนื่อยมากเลยผมก็ทำสิบนาทีแล้ววันที่ครับพรุ่งนี้ผมก็ทายี่สบนาทีชัเชยชัวเ <มา S 1> ชวยนะใช่คืม เวลานั่งนั่งยังไงใช้อะไรูุ้ทโธครับพุทโธนะตลอดเวลาเลยหรือเปล่าใช่ครับรู้สึกเป็นยังไงบ้านรู้สึก ด, ดีมากเลยครับอืาดียังไงความสุขครับมีความสุขเลยชอบไหยชอบครับอืาถ้าชอบแล้วก็จะทําง่ายถ้าไม่ชอบเราจะทายาก พยายามทับไปเรื่ อ, อยๆสอวปัญาชอบอย่าได้อยากจะทํ า, าทมากขึ้นไปเรื่อยๆโอเคคุณแม่มีอะไรไหยคุณแม่วันนี้ไม่มีคาําถามเจ้าค่ะพระอาจารย์โอเคถ้างั้นก็ไปที่ท่านต่อไปเลยนะคุณทิติมาอนี่ยก็ที่มททิมาการนวดสักการะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคำถามเข้ามาฟังธรรมค่ะอืมสิบเจ็ดหรือสิแ บ, บสแปบดบ วันนี้แปดค่ะอาจารย์ใช่ค่ะนะครา<อ>บอาจารย์น่าหแงแรงนะค ะ, ะาอาจารย์คุณอุษาดิศยานาลาธิวาอยู่ไกลนะนวัตรกรร์ค่ะอาจารย์อะไอยังไงมีอะไรไหมไม่มีค่ะอาจารย์รูปยังวันนี้ไม่มีคำถามค่ะอาจารย์พังไ้ก่อนนะ ไปที่คุณตายนาเกือปทิยาน้องกาลมวสักการ์ค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรค่ะ <c oughs> เข้ามาร่วมและฟังธรรมค่ะพระอาจารย์โอเคเอไปที่ต อ, อไปที่ชัยหน้าตาคุณสาธกาไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์ฟังขัาวถึค่ะ ย้อนไปที่คุณยายยกสันโดษน้ำักดิ์ครับหลางตาคุณยายแข็งแรงไหมค่ะก็ยเรื่อยๆนะคะไม่เจ็บไข้นะค่ะอารโลคยาปรมาราภะมาไม่มีโรคเป็นราบบัสเซนสาธุ ครับอาจารย์วันนี้มีคําถามเล็กน้อยอย้คำคาว่าเล็กน้อยคืออย่างนี้ครับอาจารย์พอดีมีคนรู้จักเข า, เ, าเขาเหมือนเอาพระไตรปิฎกมาฝากผมก็เลยขออนุญาตเขาแบบขออ่านได้ไหม <c oughs> เกิดมายังไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเ้าบอกอ้าวอ่านซีอ่านสิถ้าเกิดว่าเล่มแรกที่อ่านเหมือนเป็นภวินัยครับอาจารย์ <c oughs> แล้วพออ่านไปเกิดความสงสัย <c oughs> คือตั้งแต่เด็ก คือก็เคยได้ยินข่าวผ่านทางทีวีเรื่องประราชิก อ, อะไรอย่างเงี้แต่ว่าพอไปอ่านดูจริงๆมันมีอีกอันหนึ่งที่เราเพิ่งรู้คือมันมีสังฆธิเศแล้วผมก็เลยสงสัยว่าสังฆธิเศนี่คือยังไงครับอาจารย์ขอความเม็ต่าระอาจารย์ชี้แจงคือเป็นความผิดที่โทษเบกากว่าประราชิกปอราชิกนี่ถ้าทําผิดแล้วก็ต้องสละเพศต้องสึกไปอยู่เป็นพระไม่ได้มีสี่ข้อ คือการนุ่มหลับนอนกับสุภาพสติหรือแ ม, ม้แต่ศาสตร์เดรัจฉานก็ไม่ได้การนุ่มเพดแล้วก็การนั่งซั์แล้วก็การค่ามนุษย์แล้ว ก, การอวดอุจเลคุณธรรมมันวิเศษที่ไม่มีในตนเป็นหมอเป็นพระอนาคามีอย่างนี้แต่ไม่ไม่ได้เป็นถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่กลับมาเกิดแล้วจับโกหกได้ทันที เอ้คุณคุณเอ้คุณคุณถ้าเป็นพระถ้าเป็นพระก็ถูกจับเสือได้ทันทีเลยถ้าเป็นพระน้ำชาไม่จับมาเกิดแล้วครับอาจย์คุณคุณนะปีศาจครับอาจารย์นี้ปราดเช่นสี่ข้อนี้ครเดี๋ยวว่าขาดเป็นขาดเป็นความเป็นพระถ้าเป็นต้นตายของยอดมันด้วนละเห็นไหมอยู่ไปก็ไม่มีวันที่จะไปถึงนิพนานได้ ก็ให้กลับไปอยู่เป็นค า, า, ารวาสก่อนยังยังติดนิสัยของค า, า, ารวาสผู้คลองเดือนอยู่ส่วนนองลงมาก็ปะละสังกาที่เศษสิบสามข้ออันนี้ก็เป็นข้อที่เกี่ยวกับการประพื้นที่ไม่สวยงามของพระท่านอยู่สองต่อสองกษิกาในที่รับที่อะไรนี้เป็นต้นอันนี้ไม่ถึงกับจับศึกแต่ต้องไปอยู่เขาเรียกอยู่กรรมเนี่ย ในขั้นบรยว่าสศักดิ์นี่ยก็จะต้องไปแยกตัวออกไปอยู่กับไม่ให้อยู่กับพระที่เขาบริสุทธิ์นะครับอาจารย์แยกตัวนานแค่ไหนหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ว่าเราทําผิดกี่วันมาแล้วเราสารภาพก็ต้องแยกตัวคือไม่ได้แยกคือก็อยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่าต้องมีการแสดง อ่ต่อหน้าสงฆ์ทุกวันว่าได้ทํำบาปข้อไหนข้อไหนบ้างอัดประจานตัวเองต่อหน้าสงฆ์แล้วก็ลดสถานภาพการมีพรรษาก็ตัดพรรษาให้กลายไปเหมือนไปอยู่ไม่เหมือนเป็นภาพบวชใหม่ไปไม่มีพรรษาแล้วก็ต้องอย่างน้อยก็เจ็ดวันสมมติถ้าทำผิดวันนี้เราไปไปแจ้งให้ทราบก็ต้องไปใช้กรรมเจ็ดวันแต่ถ้าบกพิดไว้ เจ็ดวันอีกเจ็ดวันก็ต้องต้องเพิ่มอยู่อีกเจ็ดวันในฐถานะที่ปกปิดคระอาจารย์รังั้นเออคือความเข้าใจของผมคือมันจะแยกกันสองอย่างคือศีลกับวินยัยถูกมคก็ถ้าสมมุติว่าศีลคือพักกับเนรก็ต่างกังนแล้อย่างเนรถือแค่ศีลสิบพัคถือสองยิบเจดแต่วินัยเหมือนกันไหมครับว่าจะมีเรื่องอประชิกสังฆาธิเศษสหรับสมมามเณรนี้ี ไม่มีสำเนินเพราจะถือแค่เส้นสิบเท่านั้นในนี้ป้าราชิกกับสรรังฆทินเสร็จก็ไม่มีสัำเนินสำเนินยังไม่มีออืเพราะเว่ายังเป็นเด็กอยู่ในนี้อายุต่ำกว่ายี่สิบยังไม่บรรลุนิสิตภาวะยังยังไม่มีสติปัญญาที่จะแยกแยะอะไรบางอย่างได้ก็เลยให้ถือแค่ก้าเส้นสิบไปก่อน แล้วก็เสือข้อมีเขาเรียกอะไรข้อวัดเจ็ดสิบห้าข้อเกี่ยวกับการการการยืนการเดินการนั่งอะไรต่างๆเมลา ย, ย่าจังแล้วแลาไปมีภิกษุแล้วก็ต่อไปก็มีภิกษุนีด้วยอ่านของภิกษุณีก็เรียนถึงอย่างยังไม่ได้ยังอ่านอ่านแค่ ถึงแต่ผมค่อนข้างงงการเขียนคีอด<ท>้ความที่เป็นคนที่ไม่เคยอ่านเลยรพวกนี้ว่าอาจารย์พอ ม, มาอ่านแล้วเหมือนมันเล่าแบบรีพีทเรื่อยๆอ่ะเช่นมีคนนี้เขาทำอย่างนี้แล้วก็มีคนเดิมแต่ทําแบบนี้อีกวิธีอย่างนี้นผมก็อ่านง ง, งๆก็เลยต้องคอยถามวาอาจารย์<ม><ท>พราะวลานี้ตอนต้นไม่มีไงนะสมัยแรกๆที่พระเจ้าอ่าประกาศธรรมะนั้นมีคนมาบวชส่วนใหญ่เป็นผ้ามาบวชกันอังงานนก็ไม่ได้ปรากฏ นอย่างไรต่อมาเมื่อคนรู้จักศาสนามากขึ้นก็เกิดศรัทธาคนที่ไม่ได้เป็นนักบวชก็มาขอบวชแต่ไม่รู้ว่านักบวชอยู่กันยังไงก็มีเรื่องแต่ละเรื่องปรากฏขึ้นมาเอาเปเรื่องเวลาพระเจ้าก็เลยต้องมาห้ามพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งอย่เฉยๆแล้วมาห้ามว่าห้ามทํานู่นห้ามทํานี่ต้องมีคนไปทําผิดมาก่อนนะมีคนไปฟ้อง ทำผิดเยอะเลย <laughs> เช่นข้อประชิกที่ไปร่วมหลับนอนกับศรีกาเนี่ก็เป็นเพราะว่าเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายคนเดียวมาบวชเนี่ยแล้วก็ก่อนจะบวชก็มีภรรยาแล้วก็มาเล่เกับภรรยามาบวชเศรษฐีอยากจะได้หลานไปเป็นญายาลับมอดกอเลยขอร้องให้ไปนอนกับศรีกาคืนหนึ่ง เขาคิดว่าคงไม่เป็นไรเพรก็ขเขาไม่ไม่มีข้อห้ามอะไรนะแล้วก็เลยไปนอนกับซีกาแฟนเก่าเพื่อจะได้มีหลานแต่พอไปนอนแล้วเขาก็มีความไม่สบายใจก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำนี้ถูกไหมพระเจ้าทํำนี้ไม่ถูกเป็นนั่งบวชแล้วไม่ให้เสพเสพกามไม่ให้ร่วงเพศกับใครต่อมาก็ไม่ให้ร่วงเพศกับผู้หญิง ไอ้บางคนก็ไปแทนเรื่องเป็นร่วมเพศกับลิงก็งกมี <c oughs> ก็ต้องห้ามไม่ก็ตั้งสั์เดลอาชาก็ห้ามร่วมเพศกับสันเดลอาชาครับพระชาเอ๊ะพระชาแล้วเราพระองค์นั้นที่เป็นลูกเศรษฐีนี่โดนท่นดนปรับประราชิชไหมหรือไม่ต่าเป็นคนแรงไม่โดนปรับเนี่ยเพราะไม่ดูไม่มีข้อห้ามนาี่ทำผิดคนแรงนี่ยกไปยังโชคดีไปโ <c oughs> ชคดีไป <c oughs> แตถ้าใครมาทําทําทําตามงั้นก็ต้องปรับประราชิชกันดีคนแรกที่ทําผิดนี่จะ เพราะยังไม่มีกฎห้ า, ามนี่ก็เลยผ่ อ, อนพันไปยกยกเว้นให้อห่ารยะแล้วพระที่ไปนอนกับสัตว์เนี่ยคนแรกขเขาก็ไม่โดนเียก็ไม่โดนเ่ยก็ <c oughs> นพ อ, อยังไม่ได้ห้ามตอนโดนห้ามแต่ไม่ให้ไปนอนกับสีกาแล้วผู้เดจ้าเป็นน่ารักจังเลยอารมณมตั้งหลายรอบ อ่ามันก็ยังไม่ได้มีกฎไม่ได้ห้ามก็ไแปบบว่าเขาได้ไงเ ข, เขาไม่เขาก็อ้างแต่ไม่มีภาพไม่มีข้อห้ามมันจะผิดตรงไหนอ่าถ้าถ้า ต, ต้องห้ามในถ้าพระเจ้าอยู่แต่วันนี้ศีลน่ะจะมากกว่าสองร้อยิบเจ็ดขอยเดี๋ยวชาวบ้านก็ไปฟ้องพระเจ้าเออพระเล่นมือถือได้เลยพระเล่นเฟซบุ๊กได้ดเลยพระเจ้าพิจารณาอ่อไม่ควรก็ห้ามห้าม เราพุทธเจ้าอยู่ถึงวันนี้พราวินัยของพระอาจจะเป็นสองพันกว่าข้อก็ได้ก็นั่นแหละครับผมก็จะพยายามอ่านไปเรื่อยๆเท่าที่อ่านวันพยายามศึกษาไปถ้ายิเราอยากจะไปบวชด้วยเราก็จะได้รู้ข้อห้ามต่างๆของพระ พระจาก็เตรียมตัวไว้ก่อนจะได้ระมัดระวังถูกว่าอันไหนทำได้ไหนทำไม่ได้ท้านผิวย่างโยมอย่างจะเป็นภิกษุณีก็ไปอ่านวินัยของภิกษุณีก็ได้มีมากกว่าสองร้อย1 0ิบเจ็สสสิบข้อสามรสิบกว่าข้อด้วยกันครับพาจแสดงว่ามันต้องมีแบบข้อห้ามมากกว่าอืมครับพระอาจานี่ก็ คำถามข้าวการปฏิบัติก็ทุกวันนี้จะเน้นว่าให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดท่านพระอาจารย์พออารมณ์อะไรเข้ามาก็เอาใตรักหมดเลยฮะแล้วก็อถ้าว่างก็จะพิจารณาปัญญาร่างกายของทุกอย่างเอาเข้าใตรักหมดตอนนี้ใตรักเป็นอาวุธหลักครับแล้วไม่ทําสมาธิเลยนะก็ ม, มีมีครับพระอาจารย์มีทําสมาธิแต่พอหลังๆเราทําสมาธิแล้วมันกลับไปถึงฐาน ไปถึงอัปปนาได้เนี่ยอ่าการบ้านพระอาจาร์นี่ให้อัปปนาบอกมันเข้าได้ครับผมอาจารย์แต่ว่าอพอออกมาแล้วมันไม่เหมือนทุกครั้งเพราะบางทีเราออกมาแล้วมันก็ยังมีไปตามนู่นตามนี่ตามนั่นแต่พอออกมาครั้งเนี้ยมันกลายเป็นมันมีสติอยู่แบบสติคอยอยู่แบบกั้นอยู่ตลอด ม, มันมันมีมันนตอนนี้ครับพรจานท์ต้องมีสมาธินะถึงค่อยไปทางปัญญ า, างไปแล้วก็อยู่ที่เดลสไม่ได้สู้ที่เลสไม่ได้ ปัญญาบอกอย่าไปทําตามความอยากที่เลยบอกกูจะทำกูจะทำไมกูอพระอาจารย์นะแล้วอย่างพระที่ปฏิบัติสายปัญญาวิมุตต์เนี่ยเขาที่เขาบอกเขาพิจารณาตลอดเวลานี่คือไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดปัญญาวิมุตต์ก็เป็นเป็นสายที่แบบเป็นพระสาวนิบุตรเนี่คือเก่งทางปัญญาแต่ทางสมาธิไม่เก่ง สมาธิก็ได้แค่ปัญญาไม่ได้ไม่ได้อภิญญาพูกสายปัญญาจะไม่ได้อภิญยาต่ต้องมีสมาธิทุกคนศีล ส, สมาธิปัญญาขาดไม่ได้ส่วนสายเจโตนี่พวกนี้เขาเก่งทา้งด้านอภิญญาก็ไม่เก่งทงรรางปัญญาอย่างพระโมคคัลลานี่เก่งทางอิทธิลินอเหาะเหนเดินอากาศดูกายทิพย์ท้องนรกท้งสวรรค์อะไรได้ แต่ทางปัญญาไม่เก่งไม่ฉลาดเหมือนภาษาลิบุแสดงธรรมไม่เก่งภาษาลิบุตเนี่ยแสดงธรรมเก่งทํางด้านปัญญาพระเจ้าเลยยกทางด้านปัญญาให้เป็นอัคกษสอ克拉สาวกขวามือขวาของพระเจ้าปัญญานี่สําคัญกว่าอิทธิวิธิปฏิหารคนที่มีปัญญาแสดงธรรมให้คนฟังแล้วเกิดความเข้าใจทำให้เขาบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าคนที่ ไม่มีปัญญาสังเกตดูพระอาจารย์บางรูปท่านไม่ค่อยมีสังไม่มีธรรมะสั่งสอนเลยใช่ไหมบางรูปนี่มีธรรมะเยอะแยะหลองตามหาบุญนี่ธรรมะเต็มไปหมดเลยครูบาอาจารย์องอยู่ น, นี่ได้ยินแต่ชื่อนั่นแต่ไม่ค่อมีธรรมะคำสอนท่านอยู่ท่านไม่เก่งทางด้านปัญญาท่านเลยเออมาสอนเ อ, เอาธรรมะออกมาสอนไม่ได้ คนที่มีปัญญาเนี่ยเขาสามารถเอาเอาธรรมะมาสั่งมาสองมาแยกแยกมายกตัวอย่างมาให้ให้คนฟังแล้วเกิดความเข้าใจได้อ่าถการนะงั้นเป็นไปได้ไหมว่าจริงๆแล้วอ่อทั้งเจโตและปัญญาวิมุตต์เนี่ยทั้งทั้งสองด้านเนี่ยจริงๆแล้วก็มีปัญญาเพราะบรรลุธรรมทั้งคู่แต่ว่า บารมีหรือว่าการสั่งสอนมาในเรื่องของการสั่งสอนคนที่มันทํามาแตกต่างกันใ่าวความความคิดความความรู้มันนึกซึ้งกว่ากว้างขวางกว่าอย่างพระเจ้านี่เนี่ยมรู้ทางโลกมามากเวลาแสดงธรรมต้อเอาเรื่องทางโลกมามาเปรียบเทียบให้ฟังเวลาสอนชาวนาชาวไร่ก็เอเรื่องชาวนาชาวไร่มายกตัวอย่างให้ก็าฟังถ้าเป็นช่างทําอะไรท่านก็จะเอาเรื่องของช่างนี่มายกเป็นตัวอย่างเปรียบเทียบให้เขาฟัง แต่ถ้าคนไม่มีศึกษาทาั้งทางทางด้านอื่นไหยก็ไม่รู้จะเอาตัวอย่างที่ไหนมาแสดงนี่นะ okay. เห็นภาพเลยครับจ okay. ทุกคนต้องมีศีลสมาธิบ้างต้องมีสมาธิอย่างไรอัปปนาสมาธิแต่บางคนมีมากกว่าอัปปนาสมาธิมีอภิญญาบางคนก็เข้าถึงอรูปฌานได้ก็มีในความสามารถพิเศษเกืนกืนยืน จนจนไปนมาตรฐานคือสอบผ่านแค่อปนานก็พอได้บางคนได้ทะลุผ่านไปก่นสี่จุดนี่ไม่ใช่สี่จุดสองจุดเนี่ยเรียนผ่านต้องสองจุดใช่ไหมหนวยนี้อาจารย์ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ <laughs> ดาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่า น, น, น่าฮ่าฮ่าฮ่า่ ทางคนที่เก่งทางสมาธิก็จะได้สี่จุดคนที่ไม่เก่งทางสมาธิก็ได้แค่สองจุดคนนี้เท่เก่งทางบัญญาก็ได้สี่จุดคนที่ไม่เก่งทางบัญญาก็ได้แค่สองจุดพอจะละสังโยชน์สิบได้สองจุดอ๋อแบ่งเป็นสายเจโตกับสายไม่มุดเนี่ยแต่คนคนน่านไม่เข้าใจทีดว่าอไม่ต้อง ถ้าเอาปัญญาปัญญาอย่างเดียวเลยเ่าจะหลุดทพ้นไนดะ้มันปัญญาอย่างเดียวมันก็ไม่มีกาลังสู้กิเลสตัวที่จะหยุดกิเลสได้ต้องเป็นตัวสมาธิแต่ตัวที่บอกให้หยุดคือปัญญาว่าตัวไหนคนจะหยุ ด, ห ย, ดหยุดอะไรหยุดความอยากหยุดกิเลสอันนี้ต้องเป็นปัญญาเป็นคนบอกอถ้าไ ม, มไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ว่าตัวที่เป็นปัญหาก็คือกิเลส อาจารย์คุณยายฟังเรื่องไหมหลานฟังครับรู้บางไปรู้บางยายไม่ค่อยรู้หัานฉลาดก็่ายายนะยายฉลาดกว่าลานโง่มากเลยอ่ะตั้งแต่สมัยไหนแล้วยายซื้อแล้วก็เซิร์ตั้งแต่เด็กๆขึ้นมาเลยคุณยายเคยโดนหลวงปู่เหรียนดุครับอาจารย์ตอนนั้นหลวงปู่เหรียนมางานอะไรไม่รู้คุณยาย ทำงานอยู่ที่นั่นแล้วคุณยายเกะเป็นคนซื้อแล้วก็ช้าหนูงคุณเหรียนั่นเลยดุเอาถ้าให้สติก็ไม่ได้ดุไม่ให้สติใช่ดุนั่นค่ะแต่แค่อย่างรเลือกถึงท่านอยู่นะนค่ะตอนนั้นนะโอเคมีอะไรไหมไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวจะกลับไปอ่านว่าเพี่ดอกเตอร เราอ่าน ท, ทั้งหมดได้ได้ประมานสี่พันบทเนี่ <c oughs> ผมเกรงว่าเขาจะมาทวงว่าใบพี่ดอกคืนก็ <c oughs> เข้ามาใหท้ทั้งหมดเลยไม่ว่าแค่เล่มนใดนั้น เ, เดียวเขาเอามาหลายเล่มอยู่คือเหมือนว่าเอามาฝากไว้ฮะเพราะว่าไม่มีที่เก็บอืมครับทั้ง <c oughs> ทั้งทั้งหมดเลยนะป่ะครบทั้งหมดต้องใบพี่ดอกกันแล้ก่อนมีแค่บางเล่มเพราะชุดหนึ่งมันต้องสี่สิบเล่มใช่ไหม มีเยอะอยู่ฮะน่าจะถึงสี่สิบเล่มเลยก็มาหมดเลยครับน่าจะอย่างนาั้นผมก็ถือนิสาสะขอนุ ญ, ญาตอ่านอ่านไปอ่านไปครับผมถืงวิสาสะดีเนี่ยได้อ่านจะได้รู้เรื่องเข้าใจพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้อย่างไรพระเวเนยต่างๆมาได้อย่างไรครับอาจารย์แต่ว่าอ่านท่านใจปีนดกแล้วก็ต้องมาปฏิบัติด้วยถูกไหมครับ อันนี้เป็นความรู้เสริมบางทีความรู้เหล่านี้ก็ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ถ้าเรายังไม่เป็นพระเราก็ไม่ต้องรู้ความรู้เหล่านี้ก็แค่สินแปก็พอถ้าเป็นพราแล้วว่าผู้ปฏิบัติทำแต่เป็นพระนี่มาตรฐาน ม, มันมันสูงขึ้นไงเพราะคนต้องเขากราบไหว้เขต้องทําตัวให้ให้เหมาะสมต่อการเคารพของผู้ ไ ม, ไม่ใช่มันใช่มาทําตัวเป็นลิงง่ายกว่าเขากราบไหว้ง่ายใชไหมอ า, มาจารย์คิดอะไรมากครับไม่ใช่พระก็ยังกราบไหว้กันเลยอันนั้นก็เรื่องของคนตามบอดครับผมไม่ได้ผมใจเงียบแล้วครับอาจารย์จะไม่พูดแล้วเห็นตอนไม้ก็กาบได้ถ้าเห็นเลขเท่าไหรก็กาำได้ทั้งหมด ครับอาจารย์ผมจะไม่พูดละ ว, วันนี้ผมแซ่หลายล okay. รบา okay. อนะบเดนะี๋ยวอาจารย์หมกอ่นเดี๋ยวอาจารย์ดูครับขอบใจครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์เป็นที่อาจารย์ผมพป่รยเป็นยังไงบ้างอาจารย์วันนี้เจอทั้งความตายเจอทั้งความเจ็บ น, นะค่ะสิบวันที่ผ่านมาก็ได้พระคุธเจ้าอาจารย์นะคะมาสัจาร์มาจ่า ตอนดูว่าเป็นเรื่องธรรมดานระพุทธเจ้าบอกมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเความตายเป็นธรรมดาอต้องเกิดขึ้นกับทุกคนไม่ช้าก็เร็วแต่เราไม่ได้ตายกับเขานั่งกายไม่ใช่เราให้นึกแยกตัวเราออกจานกา ร, าร่งางกายเราสํ็นผู้ใ้นกายเราเป็นผู้ใช้นั่งกายน่างกายเป็นคนสรับใช้เรา ก็ที่ผ่านมาก็รับสถานการณ์ได้ได้แบบจิตสงบจิตนิ่งดีนะคะ่ะเพมาันทําเราก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นไปตามมันดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกเันเรื่อธรรมดาอ่นานไปล้ก็ผ่านไปใช่ค่ะเราทำข้อสอบต่อไป <c oughs> ก็สอบ่าทําต่อไปค่ะก็รับสถานการณ์ให้ให้สบายนะคะก็บอกให้ทุกคนก็แยกแยกกายแยกจิตไปแล้วกันก็เลยจะก็เลยสอบเอนทันไปไปนิพพานเนีไงอยากจะไปนิพพานก็ต้องสอบเอนทันเหมือนอยากจะเข้าจุฬาธรรมศาสตร์ก็ต้องไปสอบเอนทันถ้าสอบผ่านก็เข้านิพพานได้ถ้าสอบไม่ผ่านก็เข้าไม่ได้ตอนนี้ก็สอบคิดว่าสอบผ่านไปแล้วนะคะรอจะไปจบจะเป็นญาตรีโทหรือเอกนีนะคะ แต่ผ่านขั้นนี้พ่านไปไปเฉลุยแล้วคะใช่ต้องไม่ทุกข์กับอะไรทั้งนั้นค่ะ้ารเฉลุยนะคะก็มีหน้าที่ทางกายสําหรับคนไม่เจ็บนะคะมีหน้าที่ทางกายก็ดูแลกันต่อไปสาหรับคนเจ็บป่วยก็ก็ก็ทําตามที่ทํำที่คนดูแลบอกค่ะทําตามที่พระอาจารย์ได้สั่สอนมาค่ะค่ะ ต้อไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเพราะมันเดือดร้อนไปก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทุกข์ไปเปล่าๆเกิดแล้วเราต้องรับไปออะะเโคนก็ยังก็ยังอยู่กันได้อย่างเป็นฉกค่มีสรรมะไว้อยู่ในในจิตวิญญาณนะคะเขอบคุณพระอาจารย์นะวันนี้ก็ขอให้หายเร็วๆกันแล้วกันนะคขอบคุณพระองค์ โอเคสาธุไอท้ที่คนนี้ก็บาาดานมาเกี้ยนนั้นี่แม่น้องหลินเนี่ยพระาจารย์ขากับสาธุค่ะอืได้ยินหนูไหมเจ้าค่ะพาเกื่ยวหัวน้าโอ้พระอาจารย์ขารอบนี้รอบที่สิบแล้วค่ะอือสิบแล้วหนูพาหวฟาสมองเลค่ะหมดเลยอวัยวะจนมันหายไปเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ถุงน้ำดีหนูก็ไม่มีค่ะทอนสีหนูก็ไม่มีค่ะ แต่ผ่าสมองนี่ผ่าไปสี่รอบเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็ใส่อุปกรณ์ไปด้วยหนูก็เลยว่าโอ้ต่หนูยังไม่ตายนะคะพระอาจารย์ mm hmm. เป็นแบบเป็นกิจกรรมเลยเจ้าขาพระอาจารย์ mm hmm. บางคนก็แบบว่าสงสารอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูว่าเหมือนประลองแบบบททดสอบอะค่ะพระอาจารย์เอ mm hmm. ข้อสาวของเรานะี่ยเป็นท่านเจ้าขาพระอาจารย์ mm hmm. พระอาจารย์คะหนูมีเรื่องสอบถามค่ะคือพอหนูปฏิบัติ สมาธิใช่ไหมคะพระอาจารย์มันแบบนี้เหมือนหนีไหมเจ้าคะพออ่าเรารู้สึกว่าถ้าไม่ไหวเราก็เข้าไปในสมาธิอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ออกมามันก็มาเจอแบบความเจ็บปวดก็หรือแบบมีปัญหาเงี้ยหนูก็จะไปเข้าไปในสมาธิอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูเคยทดสอบตอนหนูไปภูทับเบิกค่ะพระอาจารย์เวลาอากาศหนาว ห, หนูก็ลองเข้าสมาธิดูมันก็เลยไม่ได้มารู้สึกหนาวร่างกายอะค่ะพระอาจารย์ ก็อยู่ที่ว่าเรามีบัญญาหรือไม่ถ้าไม่มีบัญญาสู้กับความทุกข์เราก็ลองใช้สมาธิแต่ลราสักวันหนึ่งเราจะต้องเอาใช้ปัญญาสู้มันด้วยโดยไม่ต้องเข้าสมาธิงจะใช้สติทำใจให้นิ่งๆหยุดความอยากนะคะพระอาจารย์คือหนูก็ว่าต้องแบบปฏิบตัติต่อเนื่องค่ะพระอาจารย์เพราะว่ายากยากตรงที่ว่าเหมือนจะแบบ ทนไหวอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ยังไงก็เหมือนเหมือนหนีอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เข้าไปในสมาธิอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันต้องแบกอยู่ประมาณนั้นไม่กลัวมันอ๋อค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องหนีมันมาเราก็อยู่กับมันไปถ้าเราไม่ไปปฏิเสธมันมันก็ไม่ต้องหนีเพราะที่เราหนีเพราะเรายังไม่ชอบมันอยู่เราต้องสอนใจให้ชอบมันนะอย่าไปเกลียดมันอย่าไปนั่งเกลียดมัน เพราะว่ามันเป็นมันเป็นลินเหมืนลิ้นฝ้นากะที่เราต้องผ่านอยู่กับมันไป <C> e <an> ใช่เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบเป็นเพื่อนเลยค่ะแบบอาจเจอปัญหาแบบนี้แบบหนูมีปัญหาทางด้านร่างกายใช่ไหมคะเจ้าคพระอาจารย์อย่างเช่นมีอาการชารที่ลิ้นตลอดเลยก็เลยแบบจนอยู่จนชินอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็ต่อาไปก็อยู่กับมันได้ค่ะพระ <C> e <an> อาจารย์วันนี้มันก็ต้องคอยหนีอยู่ด้วย เจ้าคพระอาจารย์มันก็เลยพอเราชินกับมันแล้วเราก็จะไม่รู้สึกว่าทุกข์หรือมีปัญหาเลยค่ะพระอาจารย์อ่พระอาจารย์เราหยุดความอยากอยากที่จะไปเปลี่ยนมันนะหนีจากมันไปหนีก็ไม่ได้หยุดมันก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่กับมันไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้หนูก็เลยคือหนูก็เลยมาพบว่าคนอื่นมองมานี่คือน่าสงสารอย่างเงี้าายค่ะพระอาจารย์แต่ว่าส่วนตัวก็มองว่า มันสนุกมันก็ไม่น่านสงสารนะคะเพียงแต่มันทําอะไรไม่ได้เหมือนตอนปกติแค่นั้นนะคะพระอาจารย์เราไม่รู้ใจเราไม่เดือดร้อนอือค่ะพระอาจารย์แล้ก็มองในจากตัวเขาเองถ้าเขาเป็นอย่จงให้เขาคงจะเดือดร้อนมากเพราะเขาไม่ได้ฝึกถ้าเราฝึกมาแล้วใจเราก็จะไม่เดือดร้อนได้ค่ะะอาจารย์หนูก็เลยบอกคุณป้าข้างบ้านบอกว่าคุณป้าไม่ต้องกังวล น, นะหนู ใจหนูยังมีความสุขดีเพียงแต่ว่าคือคนข้างนอกเขาเห็นว่าปากเบี้ยวหรือแบบมีปัญหาทางด้านร่างกายอะค่ะพระอาจารย์พิการอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูว่าหนูแฮปปี้นะคะคือมันแฮปปี้ที่ใจพระอาจารย์แต่ว่าร่างกายมีปัญหาคนจะสงสารอย่างเงี้ยคะ่ะหนูก็เลยบอก็เลยแบบว่าอ๋อมันเป็นประโยชน์มากจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยแหะค่ะพระอาจารย์แต่เขาไม่รู้หรอกท่าน เขาถ้าเข้าไม่ได้ปฏิบัติเขาก็จะไม่เข้าใจใช่ค่ะผู้อ า, ารย์เพียงแต่ว่าหนูก็เลยได้ฟังผู้อาชญ์ก็คืออาจารย์ผู้อาชญา์ก็จะบอกว่าต้องมีสติก่อนค่อยเข้าสมาธิแล้วก็ค่อยออกมาปัญญาอย่างเงี้ยค่ะมันมเป็นขั้นตอนจริงๆค่ะผู้อารญ์คือบางคนข้ามขัน้นอย่างเงี้ยค่ะข้ามขั้นก็ทําไม่ได้ใช่ค่ะผู้อาชญ์ถ้าไม่มีสมาธิไปไปหยุดกิเลสไม่ได้ถ้ามีปัญญาบอกกิเลสเป็นปัญหา ก็หยุดกิเลสไม่ได้เพราะว่าตอนที่หนูเคยถามพระอาจารย์กิเลสช่วงหนึ่งที่แบบมาเป็นเหมือนเฮลิคอปเตอร์ค่ะพระอาจารย์เป็นเครื่องเลยหนูก็เลยได้ฟังทำด้วยแล้วลองปฏิบัติดูหนูก็เลยบอกว่ามาสิถ้าจะตายก็ตายมันพอเรากลัวความตายอย่างเงี้ยค่ะเออเรากลัวความตายมันถึงไม่มานะคะพระอาจารย์หมายถึงจิตเราเองมันปรุงแต่งอะค่ะพระอาจารย์ หนูก็เลยเราต้องยอมไใจนะความกลัวใจมันจะหายไหมค่ะพระอาจารย์มันก็เลยไม่มาเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่าอ่ะถ้ามาก็ลุยกันอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์เหมือนปะทะกับมันหนูก็เลยเพึ่งว่าอ่อถ้าเราตั้งใจปฏิบัติทำเราเห็นตัวกิเลสอูกกิเลสของเรามันแรงเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ในการปรุงแต่งเรื่องต่างๆอ่ะค่ะพระอาจารย์มแม้แต่อารมณ์ด้วยค่ะพระอาจารย์ถ้าให้เกิดอารมณ์ แบบอารมณ์ที่เราแบบตามความอยากของเราอย่าเงี้ยค่ะพระอาจารย์โชคดีค่ะหนูได้ฟังธรรมพระอาจารย์พอหนูฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ปกติเวลาหนูเล่นเฟซหนูชอบโพสตความฝันแล้วความฝันหนูหายจ้อยเลยค่ะพระอาจารย์พอหนูปฏิบัติมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะความฝันหนูหายไปไหนก็เลยแบบเอ๋อจำความฝันไม่ได้เลยค่ะเวลาตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะพระา อ, อาจารย์อาจจะฝันมั้งค่ะพระอาจารย์แต่มันจะไม่ได้จริงๆค่ะแบบ ปกติเวลาตื่นมามันจะจําได้อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรความฝันไม่ได้เป็นตัวสําคัญเจ้านี้ขณะความจริงน็จะเกิดขึ้นในขณะที่เราตื่นทําให้มีสติเยอะมากเลยค่ะเวลาการเดินการก้าวอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์อพอเวลาความคิดของคนอื่นมาประท้าอย่างเงี้ยก็จะบอกเป็นเป็นความคิดของเขาไม่ใช่ของเราอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใช่ปล่อยวางได้ ค่ะพระอาจารย์ก็เลยมองคนเหมือนอากาศไปเลยค่ะพระอาจารย์อคอยพิจารณาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เหมือนแต่ก่อ น, นมองสามีหล่ออะไรเงี้ยค่ะพอมาปฏิบัติกับพระอาจารย์กลายเป็นเห็นสามีแล้วตัวเองเป็นผีไปเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าก็เลยมันเป็นอารมณ์อย่างนี้จึิงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มาบอกใครให้คนอื่นเสียใจค่ะมันมันความในใจจนแบบ ต้องนอนแยกเลยค่ะพระอาจารย์จริงๆนะคะพระอาจารย์มันก็เลยแบบทําอะไรหนูบอกว่าหนูบริจาคใครจะทำอะไรทำไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็คือทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์และวกันนี้ยค่ะ mm hmm. ก็เหมือนเป็นเพื่อนนะคะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยไม่ได้มีความไม่มีอารมณ์ไปชมคนนั้นสวยคนนี้หลอะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เพราะว่ามันก็มองตัวเองเป็นถีไปเลยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนหนูชอบแต่งหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แต่งหน้าอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. อาจจะ ด, ด้วยอวัยวะเราหรือเปล่าเจ้าคะแบบมันมันแบบมันที่การไปแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ไม่ได้มาชื่นชอบเกี่ยวกับความสวยความงามของตอนเองอะคะ่ะก็ของของคนเ<ะ>ืน่นก็เหมือนกันเป็นเป็นแค่ ส, สวยภายนอกแต่พอมองเข้าไปข้างในแั้นไม่มีอะไรน่าดูเลยค่ะก็เหมือนพระอาจารย์คะมันเหมือนหนูเป็นครูใหญ่ที่เดินได้อะค่ะพระอาจารย์ในปัจจุบัญญนะคะ่ะ ข่าพระจารย์เจ้าค่ะอ๋อข่าพระจารย์โอเคโอเคครับโอเุสาธุค่ะอคุณสุภาษิตเชิญอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่เท็กซัสอยู่แล้วอยู่เท็กซัสกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะยังอยู่ที่เท็กซัสเจ้าค่ะยังไม่ได้กลับไทยเจ้าค่ะกลับว่าหน้าจะประมาณเดือนหน้าเจ้าค่ะนะคะลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะ โอคคุณหมอภาช<า>นาะเดินคุณหมอภาชนาก่อ น, นจะมองก่อนนั่งสักการค่ะพระอาจารย์ก็ยังคงปฏิบัติสม่ำเสมอนะคะพระอาจารย์ก็ก็ยังยังคงรู้สึกดีแล้วก็มันมันแบบว่าเจออะไรมันก็มันก็มองได้ว่าเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละค่ะ <c oughs> พระ อ, อาจารย์แล้วก็คุณพ่ออยากไปตอนอยุไอซียูที่เป็นดิดลีเลียมคุณพ่ออยากไปตอนอเด็กๆที่ลําปางอะไรย่างเงี้ย ก็เดี๋ยวพาคุณพ่อไปค่ะทีนี้ตอนถ้าเป็นสมัยก่อนนักพรหมพาไปแค่เที่ยวอ่ะตอนนี้ก็เลยหาวัดใหญ่เลยพัฒน า, าเพราะอย่างหน่อยไปแล้วก็อยากให้แบบไปวัดด้วยอะไรเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาไปวัดหลวงพอ่อสามชายแดนนะคะลูกศิษย์หลวงพ่ออะไรว่าหลุยหวงพ่อหลวงอะคะ่ะก็ตอนนี้รู้ึกว่อยากไปวัดเรื่อยๆนี่พาคุณพ่อไปนะคะเป็นน้าซีดีเข้าวัดหาที่สุดเข้าวัดที่รักษาโรคใจค่ะ เราเป็นโรคจิตโรคใจด้วยกันทุกคนจะได้หายโง่ขึ้นเรื่อยๆนะพระจอมันเบาขึ้นเรื่อยๆพระอาจารย์เพรามันหายโง่มันก็เบาเบาเบดี๋ยวพาคุณพ่อแล้วก็มีพี่หนุ่มแฟนไปด้วยแล้วก็รู้พี่หนุ่มก็พี่หนุ่มก็สิงแปดได้แบบสามสี่วันแล้วนะคะพระาจารย์เตั้งใจเขาค่อยๆเพิ่มทีละวันทีละวันนะคะแต่แกบอกว่าให้มาเข้าเพื่อว่าเด็กหลังห้องอตัวเองเป็นเด็กหน้าห้องเงพี่หนุ่มเด็กหลังห้องฟังอยู่นะว่าอาจารย์แต่แกไม่้องเข้าสูดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่ความสำหรับใจ แต่แกปฏิบัติอัยังไม่ต้องไม่ต้องรู้มากรู้วิธีนั่งสมาธิทําใจให้สมองก็พอนะอน้วโอเคขอบคุณค่ะที่คุณนิสาต่อตนะออวันนี้ไฟป่าเริ่มู้กเอกแล้วเหรอเออสึกเหมือนกันค่ะพระอาจารย์เพราะว่าความร้อนมาแล้วคะ่ะกาบน้ำมัสการค่ะพระอาจารย์ ความร้อนเริ่มมาแล้วค่ะมันมาแบบบึบเร็วอาทิตย์ที่แล้วยังรู้สึกยังเย็นเย็นอาทิตย์นี้แบบมาแบบร้อนมาเลยอะค่ะแล้วก็ขึน้น90เร<า>ื่องขน90ยัง <90 S 2> ยังยังค่ะก็ประมาณแบบ80กว่าอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็อาทิตย์เมื่อวานนะคะอาทิตย์เมื่อวานลูกได้ลองแล้วค่ะนะอาจารย์ที่บอกพระอาจารย์ว่าให้อยู่เฉยๆนะคะพระอาจารย์ตอนแรก ดีกะดีค่ะตอนแรกบอกวราอาจารย์สี่ชั่วโมงแต่พอจริงๆก็ได้หกชั่วโมงค่ะค่ะอาจารย์ <Okay. S 2> แต่แต่ว่ายังไม่ไม่เกือบเกือบหกชั่วโมงพอดีตอนใกล้ๆจะหกชั่วโมงมันมีแมวมาร้องขอกินข้าวค่ะอาจารย์ <laughs> เลยต้องออกไปเอาข้าวให้เขาทา น, นะ ค, ะค่ะค่ะอาจารย์แบบเป็นแมวจรนะคะไม่ได้แมวเลี้ยง ค, ค่ะเขามาขอทุกวันนะคะพรอาจารย์แล้วเป็นไงรู้สึกต้องใช้สติมากไหมในช่วงนั้น อ๋อสามชั่วโมงแรกนี่แบบว่าก็ก็ยังแบบมีความแบบอยากนะคะพระอาจารย์แบบรู้สึกแบบแต่ว่าก็ไม่ตอนแรกก็พยายามชั่วโมงแรกก็ดูนาฬิกาคือนาฬิกามันมีนาฬิกาตั้งอยู่นิดนึงนะค่ะพระอาจารย์ก็ดูว่าผ่านแต่แบบก็เอ๊ะมันก็ผ่านไปเร็วนะอะไรอย่างเงี้ยพอสามชั่วโมงแรกนี่แบบมียังมีแบบมีความรู้สึกแบบยังฟุ้งอะค่ะพระอาจารย์แต่ว่าแต่ลูกก็เน้นแบบนั่งสมาธิคือแบบ กะว่ากะว่าจะพยายามนั่งนั่งสมาธิไปเรื่อยๆอะค่ะพระอาจารย์ก็มีลุกไปเข้าห้องน้ำบ้างแล้วก็มันลุกขึ้นบ้างเพราะว่ามันมันเมื่อยอะค่ะพระอาจารย์แต่แต่ไม่หลับไม่ได้ไม่หลับนะคะไม่เดันไม่เดินใช่ไหมไม่ไม่อะค่ะไม่ค่ะก็มีลุกขึ้นแบบเดินแบบขยับขยับตัวนิดหน่อยอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็ค่ะแล้วก็ไปนั่งหม ขานั่งกับลูกนั่งกับพื้นเลยแต่ว่าข้างบนมันจะเป็นโซฟาก็มีแบบ mm hmm. มีบางช่วงก็มีเอียงไปที่โซฟาบ้างอยะะ่างเงี้ยค่ะจริ ง, รงๆอยากนั่งนานกว่านั้นแต่ว่ามันพอดีแฟน ล, ลูกเขากลับมาก็เออก็ต้องแบบไปทํากับข้าวอะไรเงี้ยค่ะอาจารแต่ก็ดีนะคะเหมือนกับเหมือนกับรักษาสินเจ็บไปในตัวเลยค่ะพระอาจารย์ทำให้เร mm hmm. าเป็สติมากขึ้นนะว่าเราต้องใช้สติสู้กับความอยากค่ะพระอาจารย์ก็คือ จริงๆไม่ได้มีความอยากแบบไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะเล่นมือไม่ไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกอยากตรงนั้นแต่ว่ามีความอยากอันนึงที่แบบยังอยากอยู่คืออยากอยากให้แบบส ง, งบเวลานั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์คือมีมีรู้เลยว่ามีความมีความอยากตรงนี้อยู่อะค่ะพระอาจารย์ในสามชั่วโมงแรกนะคะแต่พอหลังจากนั้นอีกสามชั่วโมงก็จะรู้สึกไม่รู้สึกอะไรแล้วก็รู้สึกแบบเออสบายสบาย ฉเฉยๆค่ะก็คือก็เฉ ย, เฉยๆก็สงบก็สงบไม่สงบก็ไม่เป็นไรก็คิดไปถึงเรื่องแบบก็คิดถึงไปทางปัญญาบ้างก็เขิดนี้ถึงคําสอนพระอาจารย์นคิดถึงไตรลักษอริยสัจสิคิดถึงประวัติพระพุทธเจ้าคิดนู่นคิดนี้เพราะก่อนที่ลูกจะมานั่งลูกทําก่อนบ้านเยอะค่ะก็แบบ ด, ดูนู่นดูนี่ฟังแบบอ่านหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยให้มันเข้าอยู่ในหัวค่ะพระอาจารย์จะได้คิดไว้ว่าคิดเลยว่าเออถ้าเกิดผกชั่วโมงเราจะทำอะไรนะ เราควรจะคิดถึงเรื่องแบบเออคิดถึงประวัติทุกเ็จ้าคิดถึงประวัติของพระพระเกิอาจารย์แล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกชอบค่ะคิดถึงอาการ 3.2 ด้วยกันเองค่ะท่องท่องทุกอย่างคือเอาบทสวดทุกอย่างที่มีที่จําได้หมดเอามาท่องให้หมดเลยค่ะพระอาจารย์ท่องแบบหรู้ว่าลูกท่องอิติวิโสน่าจะเยอะมากอ่ะแล้วล่องท่องที่แบบเอ น้องน้องสองสองคนท่องค่ะใจ mm hmm. มันจะจะตี้เข้าท่องอตอนตอนครั้งแรกตอนตอนนั้นนะคะ่ะก็คือก็ท่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ดีค่ะอาจ้ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะทำอีกค่ะอาทาไปเรื่อยเรื่อยแล้วมันจะทําให้เรามีสติดีขึ้นนั่งสมาธิแต่ก็นั่งง่ายง่ายขึ้นค่ะมันเหมือนกับได้อยู่กับตัวเองมากๆ mm hmm. ค่ะเพราะว่า mm hmm. เวลาเราฟุง้งเราก็จะขัดมาคิดว่า เราจะคิดอะไรนักหนาอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับปัจจุบันเสีย อ, อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์รดีค่ะเหมืนจะเห็นความคิดปรุงแต่งมากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์จะเห็นว่าตัวปัญหาคือความคิดปรุงแต่งของเราเองใช่คะ่ะ เ, เพราะว่าบางใช่เพราะบางทีถ้าเราไม่ได้อยู่แบบนิ่งๆอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราคิดนะพอเราคิดแล้วเราก็จะแบบไปทํานู่นทํานี่บางทีเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะไม่กลับมาคิดว่าทําไมเราต้องคิดเรื่องนี้เรา ไม่สบายใจเพราะอะไรเราไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นแต่ว่าพอเรามาอยู่นิ่งๆเราก็จะใช้แบบคิดว่าเออเราทุกข์เพราะอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็วนมาที่ไตรักกับอริย ส, สัจสีอ่อ่ะใช่ค่ะมาจบกัง ค่ะพรมีโอกาสก็ค่ะมีโอกาสก็จะทําอีกค่ะอาจแล้วเดี๋ยวจะอย่าไปถ้ามีโอกาสมันต้องมีโอกาสค่ะอาจารย์คิดว่าเสาวอาที่นี้จะทําค่ะเพราะว่าแตนเขาไม่อยู่เขาไปตีกรอบวัเนี่ยอยากให้เขาไปแบบอยากให้เขาไปตีกอเอบไปไปนานๆเลยไปนานๆจะได้แบบอยู่คนอยู่บ้านแบบเงียบๆคุณครูสาวอาจารย์อืเป็นความอยากอีกใช่ไหมคะพระเจ้าไม่เป็นไรอยากทํางทำไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ เีแต่ว่าอย่าให้มันทําให้เราทุกข์ก็แล้วกันลาทุกข์ก็ต้องลดความอยากตอนนี้ยังทําไม่ได้เราอย่าเพิ่มทำแต่เป็นความอยากที่ดีความอยากที่จะปฏิบัตินี่ดีเพียงแต่ว่าต้อง ร, รู้การละเทสะรู้ประมาณค่ะพระสาตั้งตั้งตั้งจิตไว้แล้วค่ะว่าสัปดาห์ที่นี้จะทําอีกครั้งค่ะ อ, อันนี้ยังฝึกกันได้อันนี้บริธี ท, ทีจะช่วยให้เราก้าวหน้าไนดะ้เราอยู่ส้าเราปฏิบัติแบบธบบบบรรมดาธรรมดามันจะไม่ค่อยคืบหน้า ในในค่ะจริ ง, ง, งค่ะมันมันไม่เป็นการบังคับให้แบบเออเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเรก็นั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อมกราบค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจ า, ารย์ันแข็งแรงนะคะอ่าอ่าทีนน่คุณหมอสุทธิชัยหมอเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีเจ้าค่ะนมรสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ ไม่มีปฏิบัติยังปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะโอเคถ้าคุณยังไม่มีปัญหาไม่มีคำถามเช่นเคยค่ากำลังรักษากาค่ะอาจารย์ไม่มีคาถามเจ้าค่ะอืมอีหนึ่งค่ะี่ะไปที่ขอนแก่นอาจารย์าสายทิ่อาจารย์าหายหน้าไปนาที่หน้าไม่ได้เข้ามา กาบนวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะบางทีเข้าช้าเราคิดเ็ไม่ทันแต่ก่อนเข้าซักกาจะเข้าแบบให้เป็นคนหลังๆก็จะเข้าซักสองทุ่มสิบสิบห้าก็โอ้ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ทุ่มกว่าต้องมาค่อยๆต้องล้ค่ะพระอาจารย์เริ่มรู้ละคนอื่นเข้าเร็วมาก ก่อนเราจะแบกว่าเดี๋ยวไม่อยากเป็นคนแรกๆก็จะคอยท้ายๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ท้ายไปท้ายนานหลุดไปเลยหลุดไปเลยครับไม่ช่องเท่าเลยใช่ค่ะแอดมินแอดมินคงไม่เต็มแล้วยังปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์ปฏิบัติอะไรบ้างน่ะน้อยอะไรนะคะปฏิบัติอะไรบ้างน่ะนั่งสมาธิแต่จริงๆแทบทุกวันค่ะพระอาจารย์แล้วก็จะมีแบบ มันมีจะมีอารมณ์บางช่วงค่ะพระอาจารย์มันอยากนั่งสมาธิเหมือนพอเราสงบแล้วก็เราก็อยากจะแบบรีบรีบไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่มันไม่ได้เป็นทุกวันอาทิตย์หนึ่งถ้าถ้าเป็นอารมณ์แบบเนี้ยมันจะมีสักสี่วันค่ะพระอาจารย์<ม>อีกสามวันมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าไม่มันจะเป็นเฉยเฉยไม่อยากทําเหมือนทําก็คงไม่ได้สมาธิอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ยังนิสัยไม่ดีตรงนี้อยู่ค่ะ<ม>แก้ยังไงดีค่ะพระอาจารย์ ก็ต้องต้องกาหนดเวลาจะไปทำตามอารมณ์นะถึงจะรู้สึกว่าไม่ได้อะไรก็ น, กกนั่งไปกินข้าวบางไวนก็อาจะไม่อยากกินกินก็ดีกว่าไม่กินนะถ้าไม่กินนะเดี๋ยวมันก็หิวไม่ได้ต้องกาหนดเวลาเหมือนกินข้าวเรากินข้าววันละสามเวลาแล้วก็ต้องกาหนดเวลาเราจะน้องสมาธิเวลานานบ้างในเวลานั้นต้องนั่ง ทําให้ไม่อยากเพราะจริง ๆ, ๆ, ๆ dachte, ที่บ้านหนูจะเช้าวัดสองทุ่มทุกวันคุณพ่อนึกว่าทุกสองทุ่มหนูจะปฏิบัติก็เลยบอกว่าเฉพาะวันพุธที่หนูหายไปเพื่อท uh uh> uh ี่จะเข้าซูมค่ะอาจารย์แต่วันอื่นนี้ถ้าถ้าอยู่บ้านนี่คือหนีขึ้นมานอนพอก็เอ้านึกว่าปฏิบัติทุกวันพ่อปุษถาม่ยุ่งค่ะาจารย์แล้วก็เอ้าพ่อถ้าแต่งวัดทอย่างนี้ทุกคนน่าจะชินกันเราแล้ว ก็คือปล่อยให้ปฏิบัติแต่งี้ยค่ะพระอาจารย์อืค่ะก็จริงๆช่วงนี้พยายามรักษาใจให้เหมือนสอนใจว่าสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาพยายามกลางๆค่ะพระอาจารย์อะไรที่มากระทบก็ก็ก็ก็ปล่อยให้มันกระทบไปอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่ไปตีข่าไม่ไม่ไปให้ข้ามันค่ะพระอาจารย์สอนใจแล้วก็เหมือนมันก็ก็ใจก็สงบแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปมีปัญหาอะไรกับ กับคนอื่นหรือว่าพฤติกรรมที่เรารู้สึกถ้าเป็นแบบอื่นแต่ก่อนเราคงไม่พอใจอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ใช่ปล่อยวางดีกว่าอย่าไปยุ่งกับใครเลยค่ะเหมือนมีหน้าที่ก็ทําแล้วก็ก็พยายามสอนใจค่ะอาจารย์ว่าทุกก็ไม่เอาสุกก็ไม่เอาสอนใจเรื่อยๆแบบนี้ได้ไหมคะพระอาจารย์ก็หมายหมายเขาไม่ไง ท, ทุกไม่เอาก็คือ หมายถึงว่าทุกเราก็ไม่ไม่ยึดที่จะเอามาเป็นอารมณ์ค่ะสุขก็ก็ไม่เอาก็คือสุขก็ไม่หลงไปว่าจะต้องสุขตลอดอะไรเงี้ยค่ะไม่ให้ยินดีร้ายไม่ยินดีร้ายค่ะใ่ประมาณนั้นค่ะพระทุกข์ก็อยู่ประมันไปสุขก็อยู่ประมันไปค่ะให้มันเกิดเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติว่ามันเป็นวางเฉยรับมันได้ทั้งสองอย่างค่ะสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้คนด่าก็ได้คนชมก็ได้ค่ะ ค่ะนูนพยายามสอนใจอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ได้ไม่กระเพื่มอมอค่ะ <c oughs> เออโล ก, กระทํามันก็เป็นอย่างนี้มีขึ้นมีลงมีมีดีมีมี ด, มดีไม่ดีมีสุขมีทุกข์สลับกันไปเราก็ต้องต้องอยู่กับมันไปให้ได้ทั้งสองอย่างึ <c oughs> ้นมากรับได้สุขมาก็รับได้ค่ะเราให้สอน <c oughs> ต, ตัวเองแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วรู้สึกว่าสงบแล้วก็ใจมันก็ ไปไปเบาๆไปได้เรื่อยๆค่ะรู้สึกสบายรู้สสบายในระดับี้นกาตสบายก็ต้องบีบต้องมีมาตรการสร้างความทุกข์ขึ้นมาแล้วดูเสื่อรับมันได้อดข้าวว่างอดขาวังแล้วน่ารำคๆญให้มันเจ็บบ้างไม่ใช่ปล่อยไหลใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ได้ถ้าอยากจะเพิ่ม เพิ่ความสามารถเพิ่มขึ้นก็ต้อ ง, องทำข้อเสารให้มัญยากขึ้นก็คือสินแปดนั่นเองใช่ค่ะ <c oughs> ตอนแรกหนูก็พยายามว่าเอาสินสิลหกตอนนี้คือแน่นแล้วค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่เดือดไม่ร้อนละแต่งหน้าก็ไม่แต่งไปเป็นวิทยกรก็ไม่แต่งหน้าด้วยค่ะพระอาจารย์ร้อง <c oughs> บอกว่าฉันหน้าไปมีป้านี่แหละก็ไม่ก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่เห็นมีใครสนใจอะไรนเลยแสดงว่าได้ค่ะแสดงว่าหน้าเป็นป้าไปไหนก็ได้ แต่แรกก็แอบกังวลว่าเอ้ยเขาจะว่าเราไหมว่าแต่งหน้าไม่ไม่ไม่เค้ารสไม่อะไรเงี้เลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันเราไม่คนเราสวยไม่สวยไม่ได้อยู่ที่หน้าหรอกมันอยู่ที่พฤติกรรมค่ะเดี๋ยวที่เนื้อหาที่เราสอนไปที่การกระทําของเราถ้าเราโกหกหลอกลวงเนี่ยมันสวยยังไงเขาเขาก็ว่าไม่น่าไม่น่าดูค่ะฉันเนี่ยหนูจะพยายามเข้มขึ้นหกหกครึ่งตอนนี้อาจจะหกครึ่งเป็น เสร็จจะพยายามค่ะพระอาจารย์ค <specific> <inal> <mar> ่อยๆแน่นไปค่ะนี่มันไม่ก้าหน้าต้องพยายามก้าวหน้ำต้องบีบบีกิเลสตจริงๆต้องบ้กิเลสมันออกมาต้องสร้างความทุกข์แล้วกิเลสมันจะได้ออกมาเราจะได้จัดการกับกิเลสได้จริงๆก็มีคําถามคิดคําถามในใจจะถามพระอาจารย์จะค่ะว่า อยากรู้อารมณ์หรืออารมณ์ของพระโสดาบันสกิทาอนาคามีพระอรหันต์อะไรเงี้ยค่ะอารมณ์ของท่านทั้งสี่ระดับท่านต่างกันยังไงค่ะอก็ต้องเป็นอย่ากรู้พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพูดไปแล้วก็ไม่เป็นอยู่ดีพูดไปก็ไม่เป็นเป็นไปก็ไม่บอกก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเหมือ น, นทามคนกินข้าวอิ่แล้วรู้สึกยังไงให้อิ่มเองใช่ไหมอิ่มเองดีกว่าตอนเตะอืม ถามตัวเองถึงก็อ๋อไงใช่ไหมคะพีาา่คนหนึ่งเขาอิ่มแตวเราไม่มอิ่มนะเราเล่ามาให้ฟังมันก็ไม่เก็บเราไม่ทําให้เราเอิา่มหรออืมถามผลไมา้รสนี้ถ้าไม่ใครกินก็ไม่รู้อยู่ดีอต้องต้องสัมผัสเองพอเพราะฉะนั้นสิงแปดเต๋เอค่พะพี่อาจารย์ค่ะพยายามไปขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพี่อาจารย์ค่ะต้องเพิ่มต้องเพิ่มข้อสอบมันยากขึ้นนะ ได้ค่ะเดี๋ยวจะพยายามให้ค่อยๆแน่นขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมันจะได้ดึงความสามารถของเสด็จบรรยาเราให้ออกมามากขึ้นเนี่สู้กัำมันนะคะอาจารย์ว่าจะสู้ได้ไหมค่ะได้ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะออย่าชะล่าใจนะเวลามันจะค่อยๆหมดไปค่ะมันเวลาผ่านไปผ่านไปค่ะต้องรลี้แข่งเวททำแข่งเวลานะ เราไม่รู้เวลาเราเขาจะเป่าลูกเิตของเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะค่ะอาจจะพรุ่งนี้มาลื่นนี้นค่ะได้ค่ะ้ายตานแต่จะเร่งแล้วค่ะค่ะอย่าประมาณนอนใจค่ะค่ะนอนเข้คชาถุกค่ะคุณโอพีเคนวินอ มันกน่เพื่อนทีคุณนอมมาทำบุญบาบอกรู้จักคุณโอน้ำกำออล่าน้ำรัศการทัพพายาน้องบอกว่าแบบร้านเจ้าขาพระจนันทร์ใช่เจ้าค่ะลูกพี่ลูน้องเป็นพี่สาวของน้องที่ผูกคอเจ้าขาพระจานาทร์ที่ที่ลูกเคยกลับเรียนทัพอาจารย์อ่ะเจ้าค่ะอเขาเห็นเขาไปแล้วลูกก็บอกว่าสาทุมากเลยเจ้าขาพระจานทร์เพราะว่าเขาทุกมากตอนที่น้องเขาผูกคอตอนนั้นน่ะเจ้าค่ะอืม แต่ตอนนี้เห็นเขาพอเขาไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์จะไปอีกเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าโอเคแล้วเจ้าค่ะคืนนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็เข้ามาร่วมรับฟังเจ้าค่ะโอเคสาธุมาดีมาดีต่มาดีขันธ์รักกาลกับหลวงค่ะไม่ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะหลวงพ่อทำงานก็ปฏิบัติไม่ทํางานก็ปฏิบัติค่ะหลวงพ่อ ไม่ไนะไมีขาเนะไม่ไม่ขาคนะ่ะเมื่อเช้าเพินไปหน่อยคะ่ะหลวงพ่อจนเพื่อนมารีเม้าเมื่อเมื่อวานคะ่ะม่อวานเพื่อนมาเรียกบอกเลยเวลาทํางานแล้วคือนั่งไม่ได้นั่งหลับนะคะหลวงพ่อนั่งแล้วนั่งแล้วสลับพิจารณาปัญญากับกับสมาธิะอะค่ะหลวงพ่อโอ้โหนี่ถ้าเพื่อนไม่เรียกหนูกพราว่ามันน่าจะยาวอะคะ่ะหลวงพ่อแล้วตอนนึงคือเมื่อคืนนี้หนูก็นั่ง นั่งนั่งพิจารณาปัญญาเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาในสมาธิหลวงพ่อเขามันมันเหมือนเหมือนกับเราพอพิจารณาตั้งแต่หัวจนถึงเช้าถึงอะไรเนี้ยสลับมาสลับไปแล้วมันจะเห็นภาพที่อยู่ข้างในของเราอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันเหมือนดวงจิตดวงใจเราอ่ะมันเหมือนเป็นเป็นมันเหมือนลอยลอย ดูเหมือนเป็นคนดูดูไอ้สภาพที่ตัวที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วแล้วมันมันเหมือนมันตื่นอยู่ข้างในว่ามันมันไม่มีอะไรทุกส่วนของร่างกายเนี่ยมันไม่มีส่วนไหนที่เราเราจะไปอยู่หรือว่าเราไปเป็นมันเลยมันไม่มันเหมือนมันรึใช่ค่ะเราไม่เพียงแต่เราไปคิดขึ้นมาเองว่าเราเราเป็นร่างกายใช่ค่ะมันยิ่งมองไปส่วนไหนมันก็ไม่มีเรา แล้วเราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นโอ้หหลวงพ่อพอมองพิจารณาไปอย่างเงี้ยโอ้มันไม่มีอะไรจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นที่เก็บของที่มันรอวันที่จะจะเน่าจะแตกจะพังจะเสื่อมลงไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วพ่อพิจารณาไปเหมือนเหมือนพอมันมันมันหมดแรงเงี้ยมันก็จะกลับไปในสมาธิแล้วก็สมาธิมันก็เข้มขึ้นค่ะหลวงพ่อแล้วก็คือตัวนี้แบบเหมือน เอาของตั้งอยู่บนโต๊ะหรือว่าไม้ที่ปักลงไปคือแบบไม่มีขยับไม่มีอะไรเลยอค่ะหลวงพ่อมีสติทุกอย่างแบบมันเวลาพิจารณาตรงเนี้ยมันรวดเร็วมากนะคะแต่มันนานค่ะพ่อออกมาแล้วอะค่ะมันถ้าถ้าเกิดเราเป็นความอยากที่ว่าเราเราเราจะทําแบบเนี้ยทุกครั้งอย่างเนี้ยมันจะมันเป็นกิเลสไหมคะหลวงพ่อคือมันมันดีแล้วสมาธิเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อ ก็มันเป็นกิเลสตรงไห น, นมันมันเป็นมิธีฆ่ากิเลสมันเป็นมิธีฆ่ากิเลสหมายถึงว่ามันควรที่จะปฏิบัติให้ได้แบบนี้ทุกครั้งยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ไหมคะก็จนกว่าเราจะรู้ทันกิเลสสามารถดับกิเลสเช่นตัวที่มายึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราได้เมทําปัปจิบัติเราจะ เห็นชัด แ, แจ้งแสดงจว่าร่างกายกับเราเป็นคนตัวคนกันเราไม่ได้เป็นร่างกายค่ะแล้ก็แล้วร่างกายจะเป็นอะไรก็มันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามมันไม่ได้มันจะแก่จะเจ็บจะตายก็อืมค่ะเราจะไม่เห็นว่าร่างกายของกายสวยงามอีกต่อไปมันมันดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยแล้วตอนคือถ้าไม่ได้มาพิจารณาอย่างนี้ยหนูก็ยังไม่เข้าใจว่าเออเรากิน ธาเข้าไปแล้วมันไปอยู่ตรงไหนมันมันไปทําอะไรแล้วมันออกมายังไงอะไรอย่างเงี้ยคอุณพราคนเรามาคิดคิดตามเนี่ยโอ้ยมันมันรู้สึกว่ามันเหมือนเราเราตื่นขึ้นมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะมันมีแต่ท่านมันเหมือนล้อยนเนี่ยมันมีแต่ล้อยนก็มีแต่เด็กมีแต่แตแตอะไรส่วนประกอบต่างๆร่างกายก็มีแต่ดินน้ําลงไปเข้าไปค่ะ มันถึงอยู่เฉยๆถ้าเราไม่ได้สังเกตมันก็เสื่อมอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อพอเราเราพิจารณาแบบเนี้ยโอ๊ยทําไมมันเหมือนแบบเราไม่เคยรู้เราไม่เคยดูแล้วไม่เคยนึกเลยอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อใช่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพอาราะเราไม่คิดนะค่ะหลวงพ่อไม่พิจารณาแล้วเราก็มองแต่ว่าข้างนอกมันสวยมีหนังปิดเอาไว้แต่พอ พอเลิกขึ้นมามันพอแกะหนังออกแล้วแต่ครงกรอยู่ในกระดูกที่สัใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วหนูไปดูรูปรูปที่ว่าเขาทำว่าอาวัยวะข้างในหัวใจเส้นเลือ ด, อ ล, อดลำไส้ไไอะไรทุกทุกอย่างเลยแล้วเราก็มาคิดพิจารณาตามเนี้ยอุ้ยมันไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะหลวงพ่อห น, หนูหนูแบบ เราไม่เราก็นั่งกินข้าวไปวันๆเราไม่เคยมันนึกถึงไม่เคยไม่เคยเห็นอย่างเนี้เลยไม่เคยคิดถึงมันเลยไม่เคยเลยค่ะหลงพอพอมาดูอย่างเงี้ยอ๋อมันเป็นมันเป็นแบบนี้แล้วมันก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแล้วคนเราก็คอยแต่รักษาไอ้สวยไอ้งามบรรจงกันอยู่อย่างเงี้ยหลงพราะว่าพอมันคิดอย่างเงี้ยเออจริงๆด้วยมันยิ่งยิ่งเห็นเข้าไปเรื่อยๆอย่างแล้วก็พอพอเหมือน ดูมากๆก็กลับไปทักในสมาธิสมาธิก็ไม่ล้าค่ะหลวงพ่อมันยิ่งยิ่งเข้มเข้าไปอีกแล้วกลับเหมือนเราจะลองออกก็ออกไม่ได้ค่ะคือมันให้พิจารณาอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหนูแบบโอ้ทำไมเป็นแบบนี้อไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันเข้มขึ้นมันดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะหลวงพ่อหนูไม่รู้ว่าปัญญามันเริ่มเดินของมันเองนะเมื่อก่อนนะต้องกำลังคับมันค่ะมันเริ่มเดิน บางทีต้องหยุดต้องต้องบังคับให้มันหยุดบางทีมันคิดมากแล้วมันเหนื่อยมันจะฟุ้งขึ้นมาได้ตอนนึงกลับเข like ้ามาในสมาธิพักก like ่อนมันมันกลายเป็นว่าเออมันมันเหมือนสนุกสนุกกับการที่เรามาได้มันพ้นไปไปตามปัญญาแล้วมันได้สนุกเยี่ยมก่าสมาธิอีกค่ะหลวงพ่อแล้วพอพอมันถอยกลับมามันจะกลับเข้ามาพักอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ มันจะเห็นอะไรต่างๆที่เราไม่ไ ม, ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะเห็นมันอยู่อยู่อยู่ต่อหน้าต่อตาเราเพียงแต่เราไม่พิจารณาเราก็เลยมองไม่เห็นใช่ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วหนูไปดูมือมือที่เน่าแล้วอะค่ะหลวงพ่อหนูเพิ่งเคยเห็นนะคะนิ้วมือที่เน่าเนี่ยเขาดึงเส้นเอ็นตรงข้อมืออะแล้วนิ้วขยับได้หนึไม่เคยเห็นแล้วเราก็มาดูของเราก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหลวงพ่อหนูไม่เคยเห็นเลยอะ่ะ แล้วแบบยิ่งดูยิ่งโอ้โหไ ม, ไม่ไม่มีอะไรที่น่าจะไปยึดไปหลงไปติดอะไรเลยอ่ะคะนะ่ะหลวงพ่อมันมันไม่มีเลยอะ่ะดีต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ไม่ไปทุกขกับมันไม่ไปหลงรักมันไม่หลงชอบมันค่ะหลวงพ่ อ, อหนูหนูขอบว่าคุณหลวงพ่อมากที่ชี้ทางให้หนูได้มาถึงตรงเนี้ยค่ะไม่งั้นหนูก็ยัง เพลิดเพลินไปอยู่ <มา S 2> ต้องขอบ<อ>คุณพระเจ้าเรามาถึงพระสาวกทุกองค์ท่านถ่ายทอดความรู้นี้มา ต, ตั้งแต่ตั้งแต่ยุพระพุทธเจ้ามาถึงปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีพระเหล่านี้แล้วพวกเราก็จะไม่มีรื่มีวันรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ค่าหลวงพ่ อ, อขอบคุณอยากมาก ง, ง่ายขอบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้ที่ให้ความรู้ต่างๆเหล่านี้กับเราข่าหลวงพ่อ โอเคนะครัค <ขอ S 2> บต่อไป ต, ตัดให้มันหมดนะอย่าไปยื่นยายกับอะไรทั้งสิ้นอืขอบคุณสนค่ะโอเคคุณไอโฟนเจ็ดคายเนอร์ไม่มีชื่อขออภัยด้วยไอโฟนเจ็ดชื่ออะไรเอ่ยใม่เข้ามาหรือเปล่าการนมัสการค่ะพระอาจารย์ยงตวิสาค่ะอาสาบิจารย์ ค่ะตาวิสาค่ะพอดีพอดีเปลี่ยนเครื่องใหเครื่องหนึ่งตาวิเซเนค่ะค่ะผ้าจานมีอะไรไหมก็ไม่มีค่ะก็รายงานที่อครั้งที่แล้วว่าค่ะบอกที่จะอ่อยู่เฉยๆนั่งเฉยๆอ่ะค่ะผ้าจานมีไงเราทำไม่ยังทาแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ตั้งไว้สีชั่วโมงก็ภายในสีชั่วโมงก็นั่งสมาธิเอ่ไปค่ะหลังจาแต่ว่า เอ่าก็ก็นิ่งอยู่ค่ะพระอาจารย์คือไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าอยากจะทำนู่นทานี่ค่ะไม่มีความอยากแต่ว่าแค่แค่พอนั่งสมาธิไปสักเกือบเกือบสองชั่วโมองก็รู้สึกเมื่อยก็ก็ไม่ใช่เมื่อยคือมันมันทนไม่ได้แล้ว<笑><笑><笑>ก็เลยออกออกจากสมาธิก็แล้วก็นั่งเฉยเฉยแล้วก็ยืนก็คือให้ครบสี่ชั่วโมงตามที่ตั้งใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลย ค้นพบว่าถ้าเรามีหมายถึงว่าถ้าเราแบบว่ามีจิตตั้งมั่นภายในสีชั่วโมงนั้นรู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยออฟุ้งหรือไม่ค่อยอะไรมากอย่างนี้มันมันเกี่ยวกับอะไรคะพระอาจารย์เกี่ยวกับสติมันต้องมีสติก่อควบคุมความอยากคุณตัวตความอยาก<ต>มันเป็นตัวที่ทำให้เราฟุง้งอ่ะถ้าเกิดเราตั้ง ตั้งมั่นตั้งว่าโอเคภายในสี่ชั่วโมงนี้เราจะไม่ทําอะไรจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือมันไม่แบบตอนแรกคิดว่าอุ้ยจะจะต้องแบบอยากนู่นอยากนี่มากๆอะไรอย่างเงี้แต่แต่ปรากฏว่าภายในสี่ชั่วโมงนั้นมันไม่ได้มีความอยากที่จะทําเลยมันเฉยมันเฉยเฉยเพียงแต่รู้สึกคือเมื่อยคือทนในการร่างกายเฉยเฉยะคะพระอาจารย์เพรเรารู้ว่าเราจะต้องคอยควบคุมความอยากของเราเนี่เราก็ต้องมีสติ เราอาจจะไม่ปล่อยให้ใจคิดเรื่ อ, อยไปทำนู่นทํานี่ไปถ้าปล่อยมันเลยไปเนี่ยทำอย่างนี้ปั๊บก็ไปทําอย่างนั้นต่อทำางั้นต่อก็ไปทําอย่างนี้ต่อมัก็กลยเป็นความแย่เมือที่เราไม่รู้สึกตัวตอนนี้เรา ม, ามีกําหนดขอบเขตไว้ว่าห้ามทําอะไรต่างๆมันก็เลยต้องหยุดใช่ไหมค่าพระอาจารย์ก็คือภายใน4ชั่วโมงก็เลยเอ๊สก็เลยมีข้อสงสัยเกขึ้นมาเอสมัน มันทำไมมันมันไม่ฟุ้งเหมือนเหมือนตอนที่เราไม่ได้กำหนดนตอนที่เราไม่ได้กำหนดแล้วปล่อยฟรีสไตล์ฟรีสไตล์อยากจะคิดอะไรก็คิดอยากจะทำอะไรก็ทำแต่นั่นนี่ทำไม่ได้แล้วต้องมีสติคอยคุมไวนะ้สแสดงว่าอออืสแสดงว่าภายในสี่ชั่วโมงนั้นเราเราเราสติเราคุมไว้เราก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไฟุง้งหรือไม่ได้อยากอยากได้้ตออง พอเรารู <Okay. S 1> ้นี่ยว่าถ้าเราไม่คุมด้วยสตยิเนี่ยมันก็ใหญ่ใหญ่ทนู่นทํานี่ขึ้นมาเราก็เลยคุมไว้แล้วแบบเริ่มต้นก็ น, นั่งสมาธิไปเลยเห็นไหมค่ะพอจังสมาธิไปสักพักมันก็ ม, นกมันก็ทําให้ใจนิ่ง ใ, ใจสงบความอยากที่จะทํานู่นทํานี่ก็ลดน้อยลงไปออกจากสมาธิมาก็นั่งเฉยๆได้ไม่รู้สึกเหนือดร้อนไม่ต้องไปทําอะไรอืมค่ะอะทีนี้ย้ำจัง อันจะลองต่อยกันสองชั่วโมงดูว่าเป็นยังไงสี่แล้วลองเพิ่มอีกสองดูค่ะครับอาจารย์แล้วทีนี้ค่ะโยมถามว่าเราจะไม่ทราบในนี้โยมคิดว่าจะถามว่าแล้วเราจะต่อยอดก็คือว่าเอาเอาเอาตรงเนี้ยคุมเอาสติเราเหมือนให้เราคุมสติหมายถึงว่าเหมือนกับตอนที่เราให้รู้สึกว่าภายในสี่ชั่วโมงนี้เราจะต้องแบบมไม่ไม่ไม่นึกอยากอะไรหรือไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยใช่จะสอบไปก็ทำมันทั้งวันไปเลย ่ถ้าซักคุมได้ใช่ไหมครับทาแต่สิ่งที่จำเป็นนะทําแต่สิ่งที่หลักอะไนที้ไม่จําเป็นก็ไม่ทําำต้องมีต้องมีแบบหมายถึงว่าให้รู้สึกนึกคิดเหมือนเหมือนตอนนั้นอยากเสียจะเอาเพิ่มอีกสองชั่วโมงดูเป็นยังไงอยู่ในมันจะเอาว่าไงบ้างครับอาจารย์ก็ยรก็รายงานผลตรงนี้ค่ะแต่ แต่หลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าเหมือนอยากจะเดินจงก<ม>รมเหมือนอยากจะทําสมาธิต่อคือความรู้สึกอยากเราทาได้เดิ น, นตอนอย่างนั้นเราจะวนจงกรมนั่งสมาธิต่อไม่ได้แม่แต่ในช่วงที่เรากําหนดเวลาไว้แ ม, ม่เคลื่อนไหวแล้วก็ไม่อยากไปเคขึ้นไหวค่ะค่ะเราก็ไม่ได้ขึ้นนะแค่แค่ลุกเยินเดิน<ม>เอลุกนั่งแค่นั้นค่ะก<ม>ารที่อยากจะไปดูหนังฟังเพลงปะเสมอก็จะหายไปเลยน ค่ะคือภายในสีนั้นไม่มีอะค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยก็เลยเอ๊ะสุดแปลกใจว่าเอ๊ะทาไมแสดงว่าสติเราคุมตรงนั้นไว้เราก็เลยตั้งใจเราก็เลยไม่คิดใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็กำลังเพิ่มเวลาเลยทั้งสองชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวตอนแรกก็จะเพิ่มเพิ่มไปค่ะก็วันนี้ก็ไม่มีค่ะแล้วไม่มีอะไรทำบ่อยๆไปต่อไปเวลานั่งสมาธิมันจะสงบง่าย <Okay. S 2> โอเคช่วงนี้เป็นช่วงฝึกขัดก็ต้องต้องพยายามทําทไปสักพักหนึ่งให้มันชินก่อนแล้วต่อไปเราพอเรารู้ว่ามีสติควบคุมได้บางทีมัน้องใช้เวชใช้การกระทำแบบนี้ก็ได้เราก็ไม่ต้องกระทำไม่ได้เป็นการกระตุต้นให้มีสติมากขึ้นอย่างอันนี้คือเป็นการสิ่งกระตุ้นเพื่อพอต่อไปเราคิดว่าเราเอันนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้ฮอ อต่ถ้าช่วงไหนควบคุมไม่ได้ก็ต้องเอาอิมาเพิ่มสติอ๋อค่ะช่วงไหนคุมไม่ได้หยุดก็เข้ามาตรงนี้ใหม่อีกทีนึ่งค่ะยงเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์นเป็นที่เพิ่มสติไงเราคงทีต้องมีมาตรการบังคับมันถึงจะมีมีสติเพิ่มมากขึ้นถ้าเราปล่อยให้เป็นแบบธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ต้ใช้สติมากอือฮึใ พอ <Uncle S 1> พอไม่มีสติพ อ, พพอบางทีก็ฟุ้งขึ้นมาแล้วทุกข์ขึ้นมาได้สแสดงว่าสติน้ำมันน้อยเราก็ต้องลองออว่าหรือต่อไปไลยอาจจะนั่งแบบนั่งนานให้มันเจ็บดูแล้วพยายามสู้กับความเจ็บต่อไปให้ได้อาจารย์เรียวจะนำปฏิบัติค่ะโอเคค่ะวันนี้น้องนุ้ยเจนิวาน้องก<น>็เขียนมาบอกว่าค่ะพ<ม>ิยามานน้อง เขามีน <Creative. S 1> ัดค <recession, cy> <virtually> ุย <hazard> ก <kten strong> ับลูกค้าเขาเลือกเขาเลยเขียนมาบอกโยมว่าเขาไม่ได้เข้าวันนี้แต่เขาไม่ได้บอกให้ลายมานหล่ะแต่พระแต่โยมบอกพระอาจารย์ค่ะได้ก็จะถามอยู่วันี้ยัไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ถามเพื่ออะไรค่ะทางทอดีน้องเขาค่ะน้องเขาเขียนมาบอกทุกครั้งน้องเขาว่าวันนี้ว่าเขามีนัดกับลูกค้าคุยงานไม่ได้เข้าเขาบอกอาทิตย์หน้าค่ะแค่นี้ค่ะพระอาจารย์กขอบพคุณค่ะคุณมนริการาวที่ว่า นี่ไงมาเก้ากลับไปบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างจิตใจฟุ้งไหมอย่างนั่อ ย, ย่งสง บ, บอยู่เนาะนมันจา ก, การเจ้าขาผ้าจารย์ก็พอกลับมานะ้วค่ะผ้าจารย์เพราะว่าต้องนั่งรถตั้งสี่ตอนนะคะผ้าจารในคราวนี้แหล ะ, ะเพราะว่ามันมีความรู้สึกตอนที่ว่าตอนที่โอ้อตอนที่คอยลดค่ะผ้าจาน พอนั่งคอยรถตอนที่ว่าจะกลับเข้ามาที่บ้านตอนหลังมันมันมันบวงเวงมันมันบอกไม่ถูกนะคะพระอาจารย์แล้วพอมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านแล้วทําให้จิตใจนั้นเรารู้ว่าการที่ว่าเราไปปลีกวิเวกแล้วก็กลับมาบ้านนั้นมันต่างกันต่างกันแบบขั้วบวกกับขั้วลบเลยค่ะพระอาจารย์มันต่างกันมากดังนั้นกนบอกว่า การที่ไปปีกวิเวกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดดีที่สุด ด, ส ด, ดีมากมากเลยเพราะว่าที่ตรงนั้นเราจิตใจเราจะสงบเย็นไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนอกจากว่าเราเรียนรู้ตัวเราเองฝึกเจริญสติของเราให้มันเข้มแข็งมากขึ้นพอกลับมาอยู่บ้านมันมันบอกไม่ถูกเหมือนกับว่าอาการเมื่อคืนมันก็มันมีรู้สึกว่า เหมือนเราจะเหมือนมีอาการอะไรที่ว่าเหมือนจะตายหรือว่าเป็นอะไรก็มไม่รู้เพราะว่าเรามาแบบเจอแดดเจอฝนเจออะไรลักษณะอย่างนั้นหรือเปล่าเราการปรับตัวมันก็ยากขึ้นดังนั้นก็เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งว่าเราต้องตามอารมณ์นั้นให้ทันเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่เราต้องหยุดมันให้ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ มันมันมันบอกไม่ถูกแต่ก็ก็บอกกับตัวเองว่าต้องต้องไปอีกนั่นแหละนะคะพระอาจารย์แต่ว่าคราวนี้นั้นคุณอาุษาก็จะไปก่อนแล้วก็ลูกค่อยตามไปได้ตแต่ว่าค่อยๆตามไปโอเคส่วนอื่นนั้นวันนี้ไม่มีคําถามนะเจ้าคะอยู่บ้านเราต้องทาต่อไปด้วยนะเจ้าขาพู้อาวุโสขาทุกขาทุกสบด้ดีคนยินดี อันนี้กลับไปถึงแคนซันแล้วะสวัสดีคะ่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์ล่กไม่มีอะไรคะ่ะเข้ามากราบกันแล้วก็เดวิดฝากกราบเหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์บอตเต้เหมือนเดิมคะ่ะขอบคุณมากนะบอกแม็ซินบอกกูขอบคุณมากคะ่ะท่านอาจารย์ขอบคุาอาจารย์มีอยากส่งค่ะขอบคุณจุ๊บกเบิลุ๊บ กลับมสาสกการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นยัง ไ, ไงก็ก็ดีค่ะพาาระอาจารย์หนูเมื่อก่อนหนูเคยถามพระถามพาาระอาจารย์นะคะว่าการนั่งสมาธิต้องนั่งแบบแบบไหนขวาทับซ้ายหรือแบบแบบปกติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหนูได้ลองทําแล้วค่ะพาาระอาจารย์หนูลองทําแบบนั่งขัดสมารธรรมดาที่แบบสานกันธรรมดากับกับอ่าขวาทับซ้าย Mm hmm. หนูเข้าใจแล้วค่ะว่าทําไมเขาถึงสอนให้ทําขวาทับซ้ายเพราะว่าถ้านั่งแบบไอสารกันธรรมดาเหมือนปกติอะค mm ่ะ hmm. มันจะเท้ามันจะน่องมันจะกดทับกันมากกว่าแล้วมันจะมันจะปวดกว่าการนั่งแบบปวาทับซ้ายเอะ<ช>ค่ะค mm hmm. ่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนนี้หนูก็นั่งแบบขวาทับซ้าย mm hmm. ตลอดเลย้็ค่ะ ก็ดูพราะคอนแทคเบนใ่กขวาทับซ้ายมันนเองจ้ะค่ะอตอนแรกหนูก็แบบอุย้ยทำไมตอนแรกหนูลองนั่งขวาทับซ้ายตอนแรกมันยังไม่ชิน ม, มันก็ยังเจ็บอยู่แต่ตอนหลังพอชินแล้วมันก็เจ็บน้อยกว่านั่งแบบสารกันปกติอะค่ะจ้ะค่ะอแต่ส่วนของการนั่งหนูก็ยังนั่งได้ไม่นานเจ้าค่ะนั่งได้นั่งได้นานสุดก็คือตอนเข้ามาซุมกับพระ้าจารย์เนี่ยเจ้าค่ะ ก็ยังไม่เจริญยังเจริญสติให้มากขึ้นในว่าตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้นน่เราพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆเยจ้าค่ะเราใช้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆเตินขึ้นมาเรื่มสานขึ้นมาก็พุโทโธพุทโธไปไปทำํำไปทําความสะอาดล้างหน้าล้า ง, า ง, างตาทําอะไรก็พุโทโธไปอาบน้ำก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไป แล้วต่อไปจะมีสติมากขึ้นนล้วนั่งสมาธิจะสงบได้ง่ายขึ้นนั่งได้นานขึ้นแล้วค่ะถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่มีมันก็จะนั่งได้ทาง น, นี้แหละแล้วค่ะอีกวิธีหนึ่งก็ลองแบบที่เขาคนก็ลองกันดูนั่งที่หกชั่วโมงนั่งอยู่กับที่ไม่ให้ไปขึ้นไปไม่ให้เดินไปเดินมาไม่ให้ไปทําอะไรให้นบบ<อ>านสบายมมสบายพาจังค่ะ หนูงสงสัยนั่งหกชั่วโมงนี้เขาไม่ปวดเข้าห้องน้ํากันบ้างเหรอคะก็ปวดก็ไปได้ถ้าเข้าห้องน้ําอย่างเดียวแต่ยังไม่ไมให้ไปอายุน้ํเาเ่าน้ามาตังมาที่ที่กะ ท, ที่นั่งเลยเดื่มน้ําได้แต่ถ้าจะจะเดินไปก็มีไปที่เดียวไปเข้าห้องน้ําแล้วเอาเสร็จก็ต้องรีบกลับมานั่งต่อเจ้าค่ะหนูฟังเขาแล้วรู้สึกโอ uh ้ยทํำไมเขาเก่งจังเลยเรานี่ ชั่วโมงหนึ่งยังไม่ได้เลยใช่ไหมสติก็ไม่มากแล้วค่ะเราอยากจะมีสติมากเราก็ลองฝึกแบบ น, นี้ไปฝึกพุโทโธตั้งแต่ตื่นยั น, ยนแล้วก็วันไหว่ามากก็ลองนั่งสักสี่ห้าชัวช่วโมงหกชัวช่วโมงดูดูที่ไหวไหมัม้าไม่ไหวแต่ยังไม่ไหวก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนก็ได้ค่อยๆเพิ่มไปก็ได้อเอาเอาให้ได้ ชั่วโมงแบบแบบไม่กระดูกระดีกก่อนถ้าได้แล้วหนูจะดีใจมากมากเลยเจ้าค่ะอืค่ะส่วนวพระอาจารย์เจ้าค่ะคือที่เมื่อก่อนพระอาจารย์ถามหนูว่าหนูไปเข้ากรุ๊ปนั่งสวดมนต์แล้วก็แล้วก็นั่งสมาธิเจ้าค่ะอืหนูไม่ได้เข้าไปสวดมนต์แล้วนะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้หนูคิดว่าเฮ้ยถ้าสมมติเราอยากจะ จะนั่งให้ได้ยาวๆอ่ะเราไปช่วงเวลาที่เขาสวดมนต์แล้วก็ไม่เข้าแต่พอช่วงเวลาที่เขานั่งสมาธิกันหนูเข้าไปแบบนั้นจะดีไหมเจ้าคะถ้ามันต้องไปเข้ากับเขาด้วยนั่งคนเดียวไม่ได้นักจิตวที์เขาไม่ไปเกี่ยวกับใครแล้วเราก็ดูลงไปพูดโทไปใครก็จะนั่งานานเร ไ, ไม่นานมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราสักหน่อยอเพื่อเผื่อจะได้มีแรงบันดาลใจว่าเขานั่งนานโอ้ยเราก็ นั่งนั่นได้เหมือนกันสู้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่หลอกมันหลอกเรามันหลอกเราใช่ไหมจ๊ะค่ะถ้างั้นหนูก็ก็คิดเหมือนเดิมเจ้าค่ะเดี๋ยวจะไปลองนั่งก็ได้ไม่ห้ามอันนี้ก็ลองดูแล้วแต่เดี๋ยวมันจะไปเติดต้องมีเขาเพงจะนั่งได้ถ้าไม่มีเขาก็จะนั่งไม่ได้อ๋อมันมันก็จริงนะเจ้าค่ะค่ะถ้างั้นหนูนั่งของหนูอย่างเดิมสวดมน กับตัวเองอย่างเดิมดีกว่าเจ้าค่ะพยายามใช้สติวเวลาอยากจะกกนกจะส่วนไปส่วนบนต่อไปเจ้าค่ะส่วนใหญ่ถ้าแพ้นี่คือส่วนใหญ่จะแพ้ง่วงนอนนะเจ้าค่ะน้องเรากิงอาหารลงไม่น้อยลงหน่อยค่ะอาจารย์เจ้าคะอย่างถ้าเราถือศีลแปดตอนเย็นเนี่ยเราไม่กินข้าวแต่เรากินไอติมได้หรือเปล่าเจ้าค่ะ ไอติมนี้ทําเป็นแบบมีนมก็ไม่ได้ถ้าเป็นไอติมแบบไม่มีนมก็ได้ถ้าเป็นแบบน้าตาลพวกเชอร์เบอะไรเงี้ยล่ะพวกเชอร์บนี่อาจจะได้อ่าะนมนี่ถือว่าเป็นส่วนส่วนของอาหารเนีอ๋อเจ้าค่ะค่ะเหมือนจะนําน้าไปปฏิบัตไม่ไม่กินไม่ได้เลมันต้องกินด้วยนะนะปฏิบัติทั้งทีก็บางทีหนูหนูคิดว่าเอ๊ะ ที่เราง่วงนอนนี่เพราะเราน้ำตาลต่ําหรือเปล่าอะไอย่างเงี้ยเจ้คะกิเลสมันหลอกมันหลอกได้ตลอจดจริงๆนะจะค่ <ขา S 2> ชอบให้เรากินอยู่ <_ d ata> เลย <_ d ata> อ๋อจะคะกินเยอานั่นเบาเนี่ยดีที่สุดจ๊ะค่ะเหนือจะลองไปปฏิบัติขาาที่ต่อไปแล้วจะมารายงานพระอาจารย์เจา้จาค่ะอ่าสารดเจ้า ขอบพระคุณนะเจ้าค่ะขอให้ท่านแข็งแรงเจ้าค่ะมีเวลาจะกลับมาเืองไทยเมื่อไหร่มีจะมีโอกาสกลับมาเมืองไทยหรือเปล่าหนูตั้งใจปีนี้ยังไม่กลับเจ้าค่ะแล้วมีโอกาสได้ย้ายจากที่นั่นมาทํางานที่นี่ไหมที่เมืองไทยยไหมคงไม่มีเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าบริษัทไม่มีนะไม่ไม่มีสาขาอยู่ที่เมืองไทยเจ้าค่ะไม่มีสาขาที่เมืองไทยเจ้าค่ะเป็นบริษัทเล็กๆแล้ค่ะพระอาจารย์ ค่ะค่ะค่ะพิลจ yeah. ้ก็ขอบาอาจารย์จะน้องนำไปปฏิบัติค่ะจ้าจุ๊บคุณที่กันอกวันจาร์อยู่ที่ไหนคุณกันอกวันได้ยินไหมเปิดไมค์ก่อนอ่าหนูอยู่กรุงเทพค่ะอ่ามีอะไร เข้ามากราบพระอาจารย์ค่ะก็ขอเรียนถามหนึ่งประเด็นค่ะเรื่องของการทาสมาธิค่ะมันจะมีช่วงเวลาที่วิตกกังวลนะคะแล้วพยายามหลับตาทาสมาธิดึงใจให้นิ่งแต่สู้กันเต็มที่เลยค่ะท้ายที่สุดแล้วใช้วิธีว่าถ้าจะคิดถ้าจะฟุ้งซ่านถ้าจะวิตกกังวลก็ตามดูความวิตกกังวลนั้นเลยทำให้ ไม่ิงแล้วก็เข้าสมาธิไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็หลุดออกไปเลยค่ะหนูไม่แน่ใจว่ามีวิธีแก้ไขจมใช้คาบริกรรมแทนเวลาเกิดความวิตกกังวลกบพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไป<ฆ>อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เรากัวงวลยิ่งคิดมันยิ่งกัวงวลใหญ่หยุดความคิดด้วยการอ่านนะฮะพุทโธพุทโธคือเราอยากจะทําให้มันยาวขึ้นพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมรทโทรสมสังโฆไปก็ได้ ค่ะได้คํามบริกรรมเคยสู้อยู่ผักหนึ่งพุทโธก็เอาไม่อยู่ค่ะก็เลยหลุดก็ลังส่วนระยาวหน่อยก็ได้อีกทีสวนเป็นอีกทีบีเซลบายอะไรก็ได้แต่อย่างนั่งเฉยๆมันนั่งสมาธิต้องมีพุทโธแล้วต้องมีดูลมหายใจถ้าไม่มีแล้วมันก็จะเริคิดปุ๊งแต่แล้วก็จะเกิดเรื่องวิตกังวลต่างๆตามมาได้ขอบคุณค่ะต้องต้องคอยคุมความคิดอย่าไว้อันหนึ่งคิดเวลานั่งสมาธิ นะเรมีพุทโธพุทโธนี่นดูลมหายใจไปโอเคนะขอบพระคุณค่ะคุณหมอนาทาวุฒิเงติดทะลักเลยรับอาจารย์ครับพอดีกับเลี้ยนพระอาจารย์ว่าอาทิตย์ที่แล้วจะไปมัดแต่ว่าพอดีวันพรหัตคุณป้าที่ที่มีพระคุณนะครับพอดีเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆพอดีท่านเสียไปก็เลยไปงานสองทัญครับ ตามใจนี้ไม่มีใครสมนนได้นะครับใช่ครับนะอครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเป็นเจะไปเ จ, ป จ, ป จ, ปจริญปัญญาแทนก็แล้วกันไปพิจ<ม>ารณาใช่ครับใช่ครับนะฮะรองสังเวชครับไปไ ป, ไปช่วยดูแลแต่ว่าก็ก็ไม่ได้อ่าก็อ่าตอนช่วงที่ท่านป่วยท่านอะไรถอตามอายุอ่ะครับผมก็ไป <ๆ S 1> คิดตั้งใจว่าเออจะมีอะไรทําก็ทำให้เต็มที่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ครับอืม แล้วก็ตอนตอนท่านไปกันเลยก็ก็เหมือนกับสบายใจโล่งใจไปกับท่านเพราะเขาคิดว่าเป็นร่างกายมันก็มันก็เหมือนลดนะฮะจะดูแลแบบเป็นรถที่มันซ่อมไม่ได้แหละมันก็อมันเก่าแล้วมันก็ก็เสื่อมตามสภาพอ่ะก็ก็รักษาท่านแบบประคับประคองแล้วก็ก็มั่นใจว่าท่านก็อ่าอยู่ในสีก็ทําทานทําบุญทำอะไรเยอะแยะก็เหมือนเป็นเปเดชาติก็เลยมันโล่งใจไปกับท่านได้แบบนั้นก็น่าจะเป็น แล้ไม่ต้องมีร่างกายมา้อมูลอีกแล้วใช่ครับใช่ครับใช่ครับี่เรากลับไปทําหน้าที่เป็นเพราะว่าเป็นคุณป้าที่ตอนเด็กๆพอดีคุณพ่อผมเคยประสบอุบัติเหตุตอนผมสักสามขวบมาก็เลยไปอยู่กับบ้านคุณป้าคุณลุงคุณป้าคุณลุงก็เป็นคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆนะอืมแต่กลับไปอยู่พ่อแม่ก็ไปทําหน้าที่ให้โรงแรมคุณลุงยังอยู่ป่ะตอนนี้คุณลูกเสียไปแล้วครับอเสียไปหลายปีแล้วครับแล้วแต่ลูกก็เนี่ย ก็เหลือแต่ลูกเป็นพี่พี่ชายพี่สาวที่โตัมาด้วยกับมานครับก็่าก็เลยไม่ได้ไปวัดกลับมาดิี่ก็เป็นเป็นอันที่ต้องไปครับมาแล้วแต่เวกสะียวก็ไปกลับมาแต่เดี๋ยวผมน่าจะได้ไปสักไปเดือนครับพอดีเดี๋วเดี๋ยวอาทิตย์นี้เดี๋ยวมีไปจัดไปประชุมที่ที่ไต้หวันแล้วก็จัดประชุมอาทิตย์หน้าเลยอาทิตย์น่าจะไปอีกล้วช่วงนี้เดินทางบ่อยนะ ยังเดินทางไม่ใช่เดี๋ยวมีคะไปไต้หวันกลับมาแล้วก็ไปฟอกเตอร์ทํำให้สอนสถาการณ์มาเลเซียก็ฟ็อกุล่าก็ฟ็อกุล่าอ๋อน่าจะทุกขลาบเหมือนกันครับดูๆแล้วก็ทําให้กระเพื่อมตลอดไอ้นี่เราก็ก็เลยเหมือนกับมันก็ทําให้เหมือนกับมันรับหลายงานแล้วมันมาชนๆกันก็ทําให้ทําไม่ค่อยทันน่ก็จะเป็นความกังวลนิดหนึ่งว่าอะไรอันนี้ก็ไม่เสร็จอันนี้ก็ไม่เสร็จแล้วก็มาวุ่นวุ่นครับนะ ก็คงสักพักคงได้ทุกเวลานะก็ทำให้ดีที่สุดนะเราไม่ได้ที่ต้องทำก็ทําให้ดีที่สุดครับครับตอนนี้มันอยู่ในหมวกในโขนก็ต้องเป็นอหน้าที่ที่ก็กไม่ควจะหมด ห, หน้าที่เราวม่ควรจะหมดหน้าที่เราเราจะได้ไปทําหน้าที่ของเราต่อใช่ครับใช่ครับแต่บางทีก็คิดเหมือนกันครับมันก็ทําไปก็มันก็ไม่ได้เป็น ประโยชน์กับเราในในแง่ขอนในในในในในพบชาตินี้แต่ว่าใอในในในในในในในในในในในในในในในในในในใต้องนในในในในในในในในในในับนะนในในในในในในในในในในในในในในในใในในในนอริยในยใาา<ม>นในใใในในในในในนนในในในในในในในในนในนในในในในในในนในในในในในในในในในในในในในในในนในในในในใ ยอมตรวจแล้วบอกว่าเป็นเนกาทีฟนะคะแต่ว่ายอมป่วยตั้งที่เก้าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่หายอะคะ่ะก็เลยไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ยอมอาจจะใช้เครื่องมือตัวเกาว่าตรวจหรือเปล่าก็ไม่เจอเลยก็อาจ <laughs> จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ยอมยอมไม่รู้สึกไม่ดีขึ้นเลยอะคะ่ะก็ยังเจ็บคอแสบคอแล้วก็ปวดหัวบ้ า, างเงี้ยเราไปหาหมอ่มันมันไม่ได้มีอาการดุนแรงเลยอะคะ่ะพระอาจารย์มันไม่ได้เจ็บ คิดว่าพักไม่ได้แต่มันก็จะมีนอนไม่หลับเงี้ยค่ะก็ก็มีบ้างอะคะ่ะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาโยมก็ค่อนข้างจะฟุ้งค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเอ่อเนื่องจากว่าโยมทํางานหนักแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากกับการทํางานหนักนะคะแต่อยู่ๆเจ้านายเขาก็เหมือนจะเข้ามาว่าเอ่อมีตําแหน่งใหม่นะเราคิดว่าเราจะโปรโมทจะถูกโปรโมทขึ้นมาเอ่อรอให้ให้รอแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ยมก็ไม่ได้สนใจอะไรทํางานต่อไปเรื่อยๆไม่เคยสอบถามไม่เคยอะไรจ่วนกนารทั้งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยู่ๆเจ้านายเขาก็ประกาศขึ้นมาว่าเขายกแต่งตั้งคนอื่นขึ้นมาเป็นตําแหน่งที่เขาเคยพูดกับเราอะนะคะยมก็ยมก็คิดในใจว่าถ้าไม่มีธรรมนั้นียมคงจะแบบเอ๊ะ e, ทาไมท <ำ S 1> ําแบบนี้นนยมก็คงเอ๊ะทาไมเพราว่าทุก ท, ทุกอย่างที่เขาพูดขึ้นมาในที่ที่ประชุมมันคือตําแหน่งงานที่เขาเคย เคยพูดกับเราเมื่อสอ<ำ>งสามเดือนที่แล้วที่อยู่ยกให้คนอื่นได้ยังไงอย่างเนี้ค่ะอยอมก็นั่งคิดเจ้นานะว่าเอ๊ะเราควรจะรู้สึกยังไงละเนี่ยเราต้องคิดยังไงละเนี่ย<ำ>ก็ผ่านไปหนึ่งวันยองก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเมื่อวานหรือวันนี้หรือพรุ่งนี้มันก็ไม่ได้มีการหน้าที่การงานเรื้อหางานอะไรต่ายเปลี่ยนแปลงก็ดีซะอีกที่เราไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบงานมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมานั่งทํางานเสาร์วอาทิตย์แค่นี้ก็ยังเราก็เยอะแล้ว ก็ไม่คิดมากอะค่ะพระอาจารย์เราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปแล้วก็ยมก็จาเสียงที่พระอาจารย์เคยบอกโยมได้ว่าทําเหมือนกับว่าผ่าถึงเวลาก็ให้มาปฏิบัติไม่ต้องไปทํางานดึกดึกเดินๆดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรมก็พิจารณางั้นแล้วก็รู้สึกว่าอจริงๆมันก็ดีกว่าเราไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรแต่มาคิดว่าเมื่อคนเราไม่มีความหวังแล้วเกิดให้มีความคาดหวังเพราะไม่ได้ตามความคาดหวังก็เสียใจ เมื่อได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ก็เสียใจเมื่ออยากได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจทุกอย่างที่เห็นมามันก็เป็นทุกข์จริงๆอะคะ่ะมันก็ซึมเข้ามาอย่างช่วงนี้นี่ลูกเขาปิดเทอมแล้วคะ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมที่อยากให้โยมพาไปนั่นพาไปโน่นไปตรงนี้แล้วเราก็ยังป่วยอยู่แล้วงานก็ต้องทำลูกก็ต้องดูแลมันก็เลยยิ่งอุ้มเขาไปใหญ่เลยคะ่ะเพราะจะยิ่งเห็นถึงความถึงความรู้สึกว่าอุ้ยแต่ก่อนเนี่ย เราเรานิ่งได้ยังไงเหมือนเหมือนว่าเรานิ่งได้ยังไงมันต้องกลับมากลับมาพิจารณาใหม่ยมก็เลยเอาใหม่อ่ะคะ่ะเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็เริ่มพยายามนอนกับพื้นให้ใ ห, ให้ไม่ไม่สะดวกสบายในร่างกายมากพอกลางคืนตื่นขึ้นมาก็มานั่งสมาธิใหม่ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะคะ่ะมันก็มันก็ดีขึ้นนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็ยังฟุ้งอยู่มันยังห็นความ ถึงความไม่แน่นอนแล้วก็เห็นชัดเจนเลยว่าชีวิตทางโลกนี่มันมันไม่มีสักไม่มันไม่สามารถเป็นไปกับธางทธรรมได้เลยถ้าจับไปที่โยมยังคงใช้ชีวิตแบบนี้อยู่มันมันจะไม่มีโอกาสเข้าไปมีความสุขได้อย่างแท้จริงคือมันก็มันก็อย่างนั้นนะคะพระอาจารย์มันก็รอรอวันรอวันแต่ก็จะไม่ไม่ยอมสินการปฏิบัติรู้สึกเสียเสียจะพูดว่าจะพูดว่าเออ การทํางานนี่มันไม่ทํามันก็ไม่ได้แต่ถ้าทําแล้วมันก็จะจ ะ, จะต้องเป็นอย่างเนี้ยค่ะแต่เรามไม่ทํามันก็ไม่ถ้าทําเพิ่ม<ๆ>เพื่อเลงจี้ไปจําเป็นต้องทํำก็ทําไปแล้วพะพระอาจารย์ก็หลังจากนั้นโยมก็ทําอย่างที่พระอาจารย์บอกทําแค่เฉพาะเวลาพอถึงเวลาก็ต้องเรียนรู้ที่จะหยุดหยุดแล้วก็มาทําอื่นที่มีคุณค่ามากต่อไปอาจารย์ลดเวลาทํางานลง ค่ะพระอาจารย์กับการปฏิบัติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์เพราะธรรมะของพระอาจารย์อยู่ในใจตลอดเลยว่าเวลาเราลดลงเรื่อยๆเราทําอะไรอยู่เนี่ยไอ้คเนี้ยมันสะเทือนใจโยมมาตลอดว่าเราทําอะไรอยู่เลยทําไมเราไม่มีโอกาสได้ทําได้มากขึ้นอย่างอยากกลับเมืองไทยก็ยังไม่ได้กลับอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันเห็นแต่ความทุกข์ว่าเราไม่ได้อย่างที่เราอยากทําเราต้องปฏิบัติให้ได้มากที่สุดค่ะมันก็ประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ เก็ต้องพยายามกำหนดเวลาขึ้นมาค่ะพระอาจารย์กำหนดตารางว่าเราจะใช้เวลานี้ให้กับการทํางานเราจะใช้เวลานี้การปฏิบัติค่ะค่ะค่ะกบขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้คาแนะนํานะคะเพราะว่าพอมาในซูมมันก็มันทําให้เราตาสว่างหรือมันใจสงบลงเข้าใจความเป็นจริงในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณพระอาจารย์อ่ ไปที่ลักสมบัติเป็นปุ้ยยังไงสินแปดตอนนอนนะนักการค ร, รัอาจารย์ไม่ไม่ใช่สิบแปดตอนนอนพระอาจาย์หลังหกโมงเย็นสี่แปดถ้างง <laughs> ถ้าเกิดกลางวันนะสิบเจ็ดเจดครึ่งด้วยพระอาจาย์ไม่ใช่ตอนนอกมานนี่ต้องแต่งหน้าแต่งตาหน่อยนะ ด้วยความเคยชินนะมือตอนแรกแบบแบบมือมันมือมันสนแล้วมันเคยชินไงอาจารย์นี mm ่ hmm. hey, เราปร mm hmm. ับปรุงและเพราะว่าเวลาวันพระเราตั้งปฏิฐานไว้แล้วว่าต้องไม่ออกนอกบ้านต้องไม่แต่งตัว mm hmm. เ อ, อก็ทําได้ค่ะแต่เวลาพอเดินออกไปนอกบ้านแบบเราไปติดต่ออะไรนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. อ, อมันเอ่มันเหมือนมีความจําเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ mm hmm. เราพิจารณาอาการ32ดู ถช่โยมโยมโยมรู้ว่าถ้าโยมพิจารณาอันนี้โยมทำได้แต่ทีนี้โยมคือโยมยังต้องใช้ทรัพย์ในการที่สร้างบุญบารมีอยู่อะโยมอยู่คนเดียวแ่บพระอาจารย์เพราะตอนเย็นโยมก็ไม่ทานนะเพราะโยมถือถือถือศีลแบบไม่กินข้าวเย็นจริงๆโยมกินเหมือนกับพระตอนตอนกลางวันแล้วก็โยมก็จะสวดมนต์ไหว้พระ ทาตามอย่างที่พระอาจารย์สอนแต่ว่าคือคือมันอยู่อยู่คนเดียวนานนนมากคือทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนมีโรคส่วนตัวค่ะแล้วมันมันสงบแล้วมันเหมือนกับเวลาที่คนข้างนอกมองเราเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้าแต่ว่าเราไม่ได้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ป่วยเพียงแต่ว่าเราจิตจิตมันสงบขึ้นนะ่ะพระอาจารย์คือเราป่วยไหมอย่างเงี้ย ว่าอย่างนั้นคือคือเหมือนกับว่าเราไม่อยากจะไปติดต่ออะไรใครหรือว่าเรารู้สึกเฉยเฉยเราไม่รู้สึกแบบว่ามาต่อต้านอะไรอะไ ร, อะไรอย่างเงี้ยค่ก็ตามได้เราไม่มีความรู้สึกทุกข์ก็มันก็ไม่เป็นไรมันมันไม่มันไม่ทุกข์มันไม่ร้อนมันไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็อยู่ไปเฉยเฉยปฏิบัติเพื่อไม่ให้มันทุกร้อนมันไกข์ร้อนก็ใช้ได้ ใช่ค่ะอือโยมก็โยมก็นั่งนั่งเป็นอย่างพระอาจารย์สอนแต่ว่าโยมไม่แบบว่าเหมือนกับโยมใช้สมาธิอะ่ะแต่โยมต่อสู้กับร่างกายเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโยมอาจจะนั่งสมาธิไม่ได้ยาวเหมือนเมืออ่ออาทิตย์ก่อนนู้นเพราะว่าโยมรู้สึกมันมันเหมือนกับที่น้องคนนั้นบอกว่าเขาเหมือนกับเขาเป็นโควิดเนี่ยเพราะว่าโยมก็เป็นคล้ายๆกับน้องเขาเป็น แล้วมันเป็นมันเป็นเลยกินระยะเวลานานและหมอที่เนี่ยเขาจะไม่คือเขาจะไม่ได้ตัดสินเพราะเขารู้ว่าโควิดปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าเอายูยอยู่ไม่ต้องมาหรอกนะฉันเขียนใบให้ยูอะไรอย่างเงี้ยและเราก็รู้สึกแบบมันไม่มันไม่เหมือนหมอเมืองไทยไงพระอาจารย์แต่เราก็รู้สึกว่าเรารักษาตัวได้แล้ว มันมันมีอาการเหมือนเสมหะเหมือนอะไรใครมาบิดคออย่างเงี้ยเหมือนเสมหาติดอย่างเงี้ยโยมเป็นมาตั้งนานแล้วแล้วโยมก็ไม่หายแต่โยมก็รู้สึกว่าจะต่อสู้กับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะใช้ใช้สมาธิใช้รทมนต่อสู้ไปค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่โยมก็ขอตั้งจิตอธิษฐานกับพระอาจารย์นะกับพระพุทธเจ้าแล้วว่าโยมจะเดินทางธรรมเพราะว่าโยมชอบทางนี้มาก แเพราะว่ามันสงบดีและอย่างหนึ่งอายุยมเยอะแล้วเนี่ยไม่อยากกลับไปต่อสู้กับคนอีกแล้วอะ่ะ ม, ม, ม, มันเบื่อมันมันมันเซ็งอ็พยายามปฏิบัติให้มากขึ้นปฏิบัติมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่คะ่ะยมจะพยายามคะ่ะยมพยายามทุกวันเลยพระอาจารย์บางทีนะโอ้โหเวลาจะนั่งสมาธิเนี่ยมันเกิดอาการง่วงอะ่ะ โยมก็เลยบอกเขบามาพูดใ้เจ้าบอกงั้นขอเป็นนอนสมาธิแล้วกันขอเข้ามากันนอนแล้วก็หลับโอเคอานตอนนีก่อนห น, ะนมีอะไรไหมไม่มีค่ะพอาจารย์จะมารายงานกับพระอาจารย์ว่าโยมก็ปฏิบัติของโยมไปเรื่อยๆแล้วก็โยมก็พยายามเตือนตัวเองว่า ไม่ให้ทำบาป ท, ทำกรรมแล้วไม่ทำผิดปีนอย่างไปเรื่อยๆมากเกินไปนะนนเดี๋ยวมันเวลามันจะหมดสลอยนะโ อ, อ้องปฏิบัติแบบเร่ได้วยมานะใช่โยมหวดตัวเองทุกวันพระอาจารย์ฮะโยมโยมใช้รูปพระพุทธเจ้ามานั่งเพ่งเลยอะ่ะเพราะว่าโยมว่าเกิดบางทีอะ่ะคือจิตมันเหมือนลิงอะ่ะพระอาจารย์จิตโยมมันเหมือนลิงเลยพอเพื่อแป๊บเดียวอุ๊ยมันออกนอกลูนอกแล้ว ยมยางทีอาทิตย์หนึ่งมันดีอีกอาทิตย์นึ่งมันยังไงก็ไม่รู้มันแบบมันเหมือนจบลอยลอยแลโยมก็เลยพยายามจะจูงจิตเข้ามาพยายามจะหวดตัวเองเออให้แบบให้ปฏิบัติมากขึ้นนะคะอืมอนะ่ากับอันาเจ้าค่าที่สั่งสอนโยมเนอะคำสอนค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะโอเคสาธุขอให้แนวแน่มั่นคงตง่อการปฏิบัตินะ ค่ะน้อมรับค่ะพระอาจารย์ okay. ไปที่คุณนัดกับคุณ้าเชิญนรมารสกา ร, รารพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับเป็นยังไงดีไหมก็ก็ยังดีค่ะพระอาจารย์คือมีธรรมะพระอาจารย์แล้วก็มีภารัตนาใตนำทางตลอดเพียงแต่ช่วงนี้ก็สมาธิจะที่ปฏิบัติ แบบทุกวันเนี้ยค่ะอาจจะลดลงแต่พยายามระหว่างวันก็จะพยายามเจริญสติค่ะพระอาจารย์พยายามฝึกพุทโธพุทโธตลอดแต่มันยากกว่าที่คิดมากเลยค่ะอืมทำไปเรื่อยๆแต่แบบมันง่ายใหม่ๆมันก็จะยากหน่อยค่ะอ<า>ืมตื่นเช้ามาก็พยายามพุทธโทธพุทธโทธแต่แบบมันเร็วมากค่ะแป๊บเดียวมันปไปที่ <ๆ S 2> อื่น ไ, ไปแล้วหนูก็ดึงกลับมาดึงกันไปดึงกันมาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทํางานมันก็ยาวกับความคิดนะคะแต่ก็พยายามจะ เอาแบบธรรมะมาใช้ในการทำงานในการตัดสินใจต่างๆะคะ่ะตลอดหมยๆ ม, มันก็อย่างนี้มันชติเแล้วยังมีน้อยมันก็เพิ่มแล้วก็พยายามทำไปเรื่อยๆเนี้ยมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเองค่ะพระอาจารย์ครับค่ะก็เข้ามากราบพระอาจารย์เอามาขอกําลังใจค่ะเพื่ อ, อปฏิบัติต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ได้เข้ามากราบความพยายามอที่ไหนความสาเร็จอยูอย่ที่นั้นนะ ค่ะพระอาจารย์จะพยายามไปเรื่อยๆค่ะไม่หยุดค่ะพระอจาดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรนะค่ะพระอาจารย์เราพยายามจะไปพุทโธมีสติอยู่ในตระหว่างวันเพื่อมาเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นอย่างที่พระอาจารย์สอนครับนี่เด็กน้องทำดูเราจะเห็นจะก้าวหน้าครับแต่สบายใจขึ้นเยอะกว่าเมื่อก่อนค่ะพระอาจารย์เอาธรรมะมา เวลาเกิดปัญหาอะไรที่เป็นคอนฟ lict ในใจก็จะใช้ธรรมะที่พระอาจารย์คำสอนของพระอาจารย์ต่างๆก็จะช่วยช่วยเหมือนให้เกิดปัญญาทางทางทางโลกที่แบบเวลามีปัญหาค่ะให้มันผ่านไปได้เร็วค่ะมองใจรักมองให้เห็นว่าเป็นใจรักแล้วมันก็จะปล่อยวางได้คพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะครับอาารงครับ ไปที่ ด, ดุวดนทางในคุณปู่คุณปูได้ยินไหมครับว่าอะไร ค, คไรับครับนายัสการครับหลวงปู่ครับอ่มีอะไรไหมอ๋ออ่าครับอ่อยากจะอสอบถามหลวงปู่ขอกราบเรียนถามหลวงปู่ครับคืออ่าผมนั่งภาวานาเนี่ยคือไม่เคยเจอกับ คือก็นั่งภาวนาโดยการใช้คําคําบริกรรมรครับหลวงปู่ครับแล้วก็อไม่ไม่เคยเจอสภาวะจิตรวมเลยแต่ทีนี้คือคือถ้าสมว่าเรานั่งภาวนาไปแล้วคือถ้าสมว่าเราพอรู้ว่ามันนิ่งนะลอวจิตใจเราสามารถแบบแบบแบบอยู่กับคําบริกรรมได้แล้วทีเนี้ยไม่ถึงกับรวมเนี่ยเราสามารถอ่าเอามาพิจารณาร่างกายได้ไหมครับหลวงปู่หรือว่า แต่ในที่เราลื่นถึงพุโทโธได้ก็คือต้องพุโทโธไปตลอดครับคือถ้าเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเราจะมาพิจารณาทางมปัญญาก็ได้เช่นพอออกจากสมาธิมาแล้วเรารพิจารณาการสามสิบสองก็ได้พิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายก็ได้ครับอ่าแล้วจะพิจารณาได้นานหรือไม่นานแค่นเองเพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิมันเดี๋ยวแป๊บเดียวมันกิเลสมันก็จะเดงให้ไปคิดนั่หนึ่งต่อ ก็กรณีที่เรานที่ที่เรานั่งสมาธิครับหลวงปู่ครับถ้าสมมติว่าแบบเราอยู่กับคําบริกรรมได้แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงกับขั้นจิตรวมเนี่ยในขณะที่เรากาลังนั่งสมาธินี่ยเราควรพุทธโทต่อไปหรือว่าเราสามารถแบบอย่าอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปทําปัญญาป<อ>ัญญารอตอนออกมาจากสมาธิก่อนว่า<อ>เราเรายังไปไม่ถึงจุดหมายที่ต้องการไปเราต้องการให้จิตรวมอ๋อครับอ๋อต้องรวมก่อนใช่ใชไหมครับหลวงปู่ครับ เวลารวมแล้วก็ต้องให้มันนื่งอยู่ไปนานๆเดี๋ยวเพิ่งจะไปทางปัญญาการพิจารณาก็ต้องออกจากสมาธิก่อนนะความขาพิจารณาปัญญานะออกครับกรณีออกจากสมาธินี่ ห, นหมายถึงว่ากรณีที่เราไ ม, ไม่ได้นั่งสมาธิแล้วสมัยแล้วแถ้าม<อ>ันเป็นถ้ายังไม่ได้สมาธิก็ยังไม่ควรไปทางปัญญาควร ม, มาออกมาแล้วก็พุโทโธพุทโธต่อไปเองพยายามฝึกสติให้มากขึ้นก่อนครับ ยังไม่ก็ไปทางปัญญาปัญญาเรามีพอแล้วเพียงแต่ยังไม่จิตไม่มีกำลังที่จะสู้กิเลสได้ครับผมพยายามฝึกสติให้มากๆก่อนหอกจากสามาธิมันก็พุโทโธต่อไปพุโทโธไปทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยทำพุโทโธไปเรื่อยๆครับแล้วในชีวิตประจำวันเช่นสมมติว่าอ่า กรณีที่เราแบบไม่ได้เข้านั่งสมาธิเป็นกิจจาักษณะครับเป็นรูปแบบแล้วทีนี้แบบอ่าเราเห็นแบบอ่าสมมติว่าอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเราพิจารณาสอนใจเราเองเนี่ยสอนเราเองให้มันลงไปที่ความไม่เที่ยงอย่างที่ได้ฟังเทศครูบาอาจารย์หรือว่าความไม่มีตัวไม่มีตนหรือว่าอาสุภะบ้างอะไรเงี้ยเราสามารถทําได้ไหมครับหลวงปู่ ด, ดังนั้นที่เราไม่เคยมีสมาธิมาก่อนเลยถ้าทําได้ก็ทำอยู่ที่มันหยุดมันได้หรือเปล่า ที่ทำให้เราตายเราไม่ทุกข์กับมันได้หรือเปล่าครับถ้ายัางบังทำยังทุกข์อยู่ว่า จ, จะต้องออกลัมาที่พุทโธใช้พุทโธหยุดก่อนนีกว่าโอเคขอบคุณหลวงปู่มากครับแต่ถ้าเราใช้ตายรักได้ก็ใช้ตายรักไปใช้สุภาได้ก็ใช้ไปแต่ใช้ใช้ใช้ไปแล้วมันยังไม่ยอมหยุดก็ต้องตลับาออที่พุทโธดีกว่าใช้พุทโธไปก่อน เวลาไม่มีกําลังที่จะยุดกิเล่ได้ครับเวลาเกิดอารมณ์ภายนอกเกิดขึ้นก็พยายามพยายามคิดวางเฉยกับมันนะ ค, คิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันมันมันก็ต้องมีวันดับไปของมันอะไรอย่างเงี้ยพอมันเบาก็เริ่มเริ่มพุทโทอะไรอย่างเงี้ยครัก็พยายามฝึกมาแบบนี้ครับหลวงปู่ครับครับนะขอบคุณครับขอบคุณหลวงปู่ครับ อะไรที่คนฝนเจอหรือคนฝนจ่าถามธรราสตรค่ะพระาอาจารย์วันนี้มารายงานความคืบหน้าค่ะเพราะว่าค่อยๆมีความก้าวหน้า ก, กระตุ้งขึ้นมาหน่อยนึงค่ะพระอาจารย์คือเมื่อวานนี้ก็คือคือเดี๋ยวนี้อาทิตย์หนึ่งจะพยายามหาวันหนึ่งในการที่จะถือศีลมากขึ้นนะคะพระอาจารย์จะพยายามอยู่ให้ห่างไกลจากพวกรูปเสียงกิจ รถพพธิพคะคะเราก็อรู้สึกว่าดีขึ้นแต่เรื่องการฝึกเสติหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็พุทโธเลยจะจะเป็นอย่างนี้กันอยู่ทั้งวันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีช่วงเผลอไผไปทั้งเวลาทํางานทําอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกตัวก็จะกลับมาอยู่กับพุทโธตลอดนะคะที mm hmm. นี้ก็นั่งสมาธิก็ช่วงช่วงที่ถอยหลังมันก็จะกลับมาเริ่มใหม่เนี่ยก็จะนั่งได้ไม่นานก็จะได้แค่ ปักๆสิบนาทีสิบห้านาทีก็เยอะสุดแล้วค่ะคราวนี้พอเริ่มกลับมาฝึกสติเยอะขึ้นแล้วก็กลับมานั่งสมาธิให้ให้ให้ให้มากขึ้นนะค ะ, ะช่วงระยะเวลาการนั่งก็ค่อยๆกระเถิบขึ้นมาจากยี่สิบมาเป็นแบบเกือแบบแบบแบบๆครึ่งชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอาจารย์ที่เมื่อวานลองดูะคะ่ะแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้สงบอะไรมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็มีความกระเตื้งขึ้นมาหน่อยนึงนะคะอาจารย์ ทำไปเรื่อยๆนะสติมีกำลังมากขึ้นแล้วจิตก็จะสงบได้ง่ายขึ้นพยายามเกสติไปทั้งวันนะระหว่างวันทำงานเนี่ยทำอะไรก็ให้มีสตกิก็ไม่ทิ้งพุโทโธค่ะคือถ้ามีช่องเรานึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็จะลงพุโทโธตลอดนะค ะ, ะพระอาจารย์แต่ว่ามันก็อาจจะยังแบบยังมีเผลิดเลไปไป ไปกับเวลาเราทํางานหรืออะไรแบบเนี้ค่ะแต่ว่าจะพยายามเหมือนมีเวลามีโอกาสก็จะฟังเทศฟังธรรมตลอดอคะ่ะจะจะจะไม่ได้ทิ้งตรงนี้เพื่อให้อย่างน้อยก็ยังอยู่กับธรรมะบ้างอะไรแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็มีช่องก็พุโทโธก็วันวั น, ว น, วนหนูก็คิดว่าหนูไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เดี๋ยวไม่ได้คิดมากเหมือนเมื่อก่อนนะคะ ล, ล, ลืมไปเลยว่าแบบ เดี๋ยวนี้มีคิดมากด้วยหรือเปล่าก็ไม่ค่อยคิดอะไรอะค่ะพระอาจารย์จะอยู่กับปัจจุบันซะมากกว่าค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกก็ยังมีไปทางกรมชะนทัทะอยู่พอสมควรนะคะพระอาจารย์ต้องพยายามซึ้มนไัไปพยายามข้ามจิตใจเด้งันไวนะค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ก็หนูได้ฟังอ่วันนี้เข้ามาเราได้ฟังอะไรหลาย ๆ, ๆอย่างเรารู้สึกแบบว่าอย่างฟังพี่มาลีแล้วหนูรู้สึกว่าแบบโห หนูมีก็อยากจะอยากจะปฏิบัติมากขึ้นนะะเพื่อให้ถึงจุดที่เขาก้าวหน้าแบบนั้นบ้างะอะไรยเงี้ยค่ะก็มันก็มีความอยากเพิ่มขึ้นนะคะอาจารย์ที่อยากจะจะทําให้มากขึ้นนะคะอาจารย์อยากแบบนี้ไม่ได้เป็นกิเลสเป็นฉันทะอันดีในธรรมเนี่ยก็หนูฟังพี่เขาเล่า จ, จบหนูน้ําตาซึมเลยค่ะตามพี่เขาเลยค่ะอาจารย์นี่เเก่งนะนี่เขาเก่งนะ ค่ะหนูก็เล่าให้สามีฟังให้ลูกฟังเมื่อกี้บอกมีพี่คนหนึ่งเขาเก่งมากไปถึงขั้นนี้แล้วนะคะ mm hmm. คือหนูเห็นตอนจบพี่เขาเล่าจบมีน้ําตาหนูเองน้ายังน้ําตาคลอเลยค่ะแบบดีใจกับพี่เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมีความพยายามให้ได้อะค mm ่ะก็ดูแลมีกําลังใจอะค่ะอาจารย์ทํามของพระพาทธเจาเนี่ยมาสะจะใจเนี่ยเวลาเข้าถึงน้อนี่มีความประทับใจ mm hmm. อ่อก็หนูก็หวังว่าหนูจะมีวันนั้นบ้างค่ะทําให้หนูรู้สึกว่าอยากจะทํามากขึ้นทุกคนสามารถมีได้ทุกคนขอให้มีความพยายามมันก็เป็นอ่าอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายอย่ายอมแพ้อ่าไม่เลยค่ะอาจารย์ไม่ไม่ท้อแท้ไม่เบื่อหน่ายค่ะอาจารย์จะมีแต่แค่โดนกิเลสล่างไปอ่าแต่ว่าก็ เพราะน่กามันเป็ น, นจริงจริงพอมันโดนแต่ว่าหนูก็จะกลับมาเหมือนจะกลับยังไงก็ต้องกลับเข้ามาทางทําเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็ทางทางสุขไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่อะค่ะเวลามีอะไรที่รู้สึกว่าจะเข้ามาแล้วมีเหมือนกำลังจะมีความสุขอะค่ะก็ไม่ไม่ได้ลงไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารอค่ะก็เฉยเฉยสุขมาก็ผ่านไปอะค่ะความสุขคิดว่าพอจะผ่านได้บ้างแล้วค่ะแต่ว่าเหลือความทุกข์ก็ต้องฝึก แบบทดสอบแล้วก็ทําการบ้านอีกเรื่อยๆอีกเยอะเลยค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็กราบเรียนท้าอาจารย์สำหรับอาทิตย์นี้เท่านี้เจ้าค่ะอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์ท่านขันแข็งแรงเจ้าค่ะค่ะคุณโคนน้องพีน้องพีหลับแล้วเลยการนมัสการค่ะหลวงพ่อนุพีหลับแล้วค่ะอไม่รู้ว่าเข้ามาไม่รู้ต้นต้นจะให้เข้ามาก่อน ยังเพิ่งเข้ามาที่นังนนี่เ อ, อ่อเข้าเข้ามาเหละประมาณสิบนาทีได้มั้งค่ะเข้ามาตอนที่ออน้องผู้ชายกับค่ะคุณยายนะคะอืมวันนี้มันไม่ได้อยู่หน้าจอเลยมองไม่เห็ น, ไ ม, นไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรค่ะก็เลยก็เลยฟังฟังก่อนน้องพีก็รอบอเดนนนอนอหนูนอนร้อหลวงตาหลวงตาเรียกแล้วเรียกปุกหนูนะ หนูก็ไม่ปลุกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกนี้เขาต้องไปต่างจังหวัดกับโรงเรียนนะคะอก็มีคำถามอยากถามหนูก็บอกเอาไว้อาทิตย์หน้าค่อยมาถามหนูตาเองแล้วกันไดค่ะแลวหนูไม่มีอะไร่ะคะก็ให้ท่านแข็งแรงนะเจ้าค่ะ้จ้ะท่าค่ะอันนี้คุณจิ๊บไม้เวลา เกิดเรื่องแบบนี้การใช้เจ้าค่ะอาจารย์กับนมันสการเจ้าค่ะอาจารย์สบายดค่ะน่ะ yeah, สบดีค่ะค่ะโยมก็วันนี้มีคำถามค่ะก็พยายามปฏิบัติตเริ่มสังเกตตัวเองว่าทุกวันนี้เวลาตื่นนอนมันก็พุโทโธพุโทโธอัตโนมัตินี่ถือว่าเราสเตนนั่มเดินสเตเริ่มเดินนะนิ่มไหลนะเริ่มเริ่มไหนมาแล้วนะคะ mm hmm. เริ่มเริ่มเริ่มสะแปะแตะทางด่วน นี่เกือบเกือบแล้วนะคะกพยายามให้มันไปทั้งวันให้ได้ให้มันมีพุทโธไว้งวนไม่ใช่เริวไปปุ๊บสองสามนาทีแล้วก็หายไปทั้งวันเริ่มเริ่มไปปุ๊บพอกิเลสเรื่องความหิวเข้ามาปุ๊บมันก็จะแบบโ อ, อ, าาอ้อาหารหน่ออาหารหนอมแต่ก็ช่วนี้พยายามทานให้น้อยลงค่ะอาจารย์มันก็จะได้รู้สึกว่ามันไม่ง่วงเวลาเราจะนั่งสมาธิเราภาวนาค่ะ Mm hmm. มันก็มันก็ช่วยได้ค่ะผอาจารย์แต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเมื่อกี้เห็นสลินทอนเข้ามาก็รู้สึกดีเพราะว่าเห็นเขาไม่สบายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมายมก็ไปวัดที่พีทสเบิรมาเหมือนกันค่ะ mm hmm. หลวงพ่อะอาจารย์ท่านก็ไม่สบายเหมือนกันเห็นบอกว่าพระที่มางานสมาชาติสมที่มางานที่วัดไทยดีซียค่ะเป็นโควิดกันเยอะเลยค่ะอาจารย์ mm hmm. ไปพิสเบิร์กนี่ไปขับรถไปนะขับรถไปค่ะสามชั่วโมงกว่าค่ะสชั่วโมงไม่เลยนะพิสเบิร์กไม่ไกลก็แล้วฟิวเป็นเซเวเนียอใช่ใช่ค่ะห่างกันประมาณไม่เกินสองสองร้อยไมล์ใช่ค่ะประมาณเนี้ยค่ะค่ะแต่ว่ามันโยมไม่ค่อยชอบขับไปทางนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นภูเขาอะค่ะพระจานทร์แล้วรถบรรทุกมันเยอะมากเลยค่ะไม่ใช่เป็นฟรีเวน มันมีเป็นฟรีเวกค่ะแต่ว่าพอเวลาช่วงหนึ่งที่มันเป็นเข้าฟรีเว์ทางที่จะแตะเพนซิลเวเนียแล้วอะค่ะมันจะมันจะเป็นแค่สองเลนของสองด้านเพราะมันเป็นตะขับอ้อมตามภูเขาอะค่ะอาจารย์ค่ ะ, คะมันก็จะเขาเขาก็ทำทางด้วยโยมก็ไม่เข้าใจแบบทางจะทำทางด้วยรถบรรทุกก็เยอะด้วยโยมก็ออดขับไปก็ยังเพื่อให้ลูกตายเลยลูกจะไปปฏิบัติธรรมยัยงไปทางบน มียองคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของคุณจิ๊บที่เคยเข้ามาใช่ไหมน้าอยู่ที่สเปิใช่ค่ะน้องแจนก็อยู่พิสเปิร์กค่ะน <c oughs> <c oughs> ้องแจนเขาก็อันนั้นเขาก็ฝากกาบอาจารย์บางทีคเขาส่วนใหญ่เขาจะน้องเขาจะฟังอยู่ข้างนอกค่ะพอดีช่วงนี้เด็กๆลูเข้อติดเทอร์มาค่ะใช่ค่ะก็เลยต้องดูแลลูกนึงก็เลยไม่ได้มีโอกาสเข้ามาแต่วันนั้นที่ที่คุยกันเห็นนี้เห็นน้องบอกว่าน้องฟังจากเฟซเฟซบุ๊กอะค่ะค่ะ ค่ะวันนี้อะไรค่ะค่ะเราจะรักษาทาตุขันนะคะ ล, ลูกๆเราปิดแล้วไม่ยร่วงรงอะรลูกๆปิดแล้วค่ะแต่พอดีว่าช่วงสองอาทิตย์หลังจากปิดเทอมลูกเขาไปพอช่วงตารางตารางดูแลลูกของโยมกับสามีเก่ามันจะเป็น ของพ่อกับพ่อของลูกอะค่ะมันจะเป็นแบบพอซัมเมอร์ปุ๊บมันจะเป็นอาทิตย์เลือกเราเลือกอาทิตย์ได้ว่าเราอยากดูลูกอาทิตย์ไหนอะค่ะก็แบ่งกันคนละครึง่งสองอาทิตย์นี้เขาก็าอยู่กับพ่อเขาค่ะโยมก็จะเจอลูกทีกตอนสิ้นเดือนเลยค่ะก็ดีค่ะอาจารย์แล้วชืว่อว่าก็าอยู่กับาตลอดเลยช่วงปิดเทอมจะอยู่กับโยมห้าสิบอ่าหกสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะค่ะก็ก็แบ่งกันแบบนี้ค่ะแต่ว่า ก็ตอนนี้ก็ห่างๆก็ก็เหมือนให้เราได้ทําใจนิดนึงว่าเดี๋ยวพอลูกชายปีหน้าก็ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วค่ะม6แล้วค่ะก็จะเข้ามาหาลัยแล้วโยมก็เลยทําใจว่าเอออีกหน่อยแล้วก็เหลือลูกสาวคนเล็กอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เริ่มตัดตัดอะไรนะคะตัดห่วงแบบแบบพยายามเริ่มเริ่มตัดห่วงให้มันออกออกไปนิดนึงอะค่ะ ค่ะพระอ า, า, าจารจาย์งั้นวะไม่รบกวนพระอาจารย์ลาเจ้าค่ะขอพระอาจาย์ทัดขันแข็งแรงนะเจา้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเป็นกงว่าอะไรสีราชชาติมัสการทักเขาวันอาทิตย์นี้ไม่มีคํำถามจ้าเข้ามาเติมปัญญาอย่อยเดียวจเจ้าโอเคไปรดิคุณนันทิชาคุณนันทิชาเพิ่งเข้ามาข้า้งแรกแคุณนันทิชา เปิดไมค์ตอนนียังไม่มีใครออก เ, เปิดได้นะอาารย์นมัส ก, การค่ะอาจารย์เพิ่ง เ, เข้ามาข้างแรกเมื่อไงอ๋อใช่ค่ะเพิ่งเข้ามาครา้งแรกค่ะอยู่ที่ไหนจ้าอ๋อหนูอยู่กรุงเทพค่ะแต่ว่าก็คือช่วงก่อนหน้านี้ก็คือได้มีโอกาสไปที่ชนบุรีไปฟังธรรมที่น้ากุติพระอาจารย์นะคะแล้ว<ด>ล่ะ คือกลับมาฟังอาธรรมะของพระอาจารย์ตามอาในคลิป YouTube ในเฟ e b o o k อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม mm hmm. แล้วก็พอดีว่าวันนี้มีคำถามอยากสอบถามพระอาจารย์นะคะเรื่องการปฏิบัตินิดนึงอะคะ่ะใช่ hmm. พอดีว่าหนูอยากรู้ว่าเวลาทุกวันเนี้ยที่หนูลองอพยายามนั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์คือหนูก็นั่งได้ค่อนข้างนานอะคะ่ะบางทีก็ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงบ้างแต่ว่าในการนั่งไปอะค่ะพระอาจารย์มันมีแค่ เราแค่พุดโทพูดโทเราก็แค่มีสติอยู่อย่างเดียวค่ะแต่ว่าหนูแค่ไม่รู้สึกว่าหนูเหมือนเข้าถึงความสุขจากสมาธิค่ะก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่าแบบนี้ยังยังเรียกว่ายังไม่ถึงสมาธิใช่ไหมคะแค่เรามีสติอยู่ได้นานเฉยๆแล้วความสุขจากสมาธิมันเป็นยังไงกันแน่อ่ะอ่มันจิตมันนิ่งสงบแล้วใจมันก็นได้ขึ้นสวรรค์ความรู้สึกสุขที่ไม่ไกรพบมา ก, ก่อนอืมแสดงว่าอย่างนี้ ถ้า ม, มีสติแต่ว่าหนูยังไม่เข้าถึงตัวความสุขย่าสติเรายังอาจจะพังเผลไปเป็นช่วงๆมันก็เลยทำให้ไม่สามารถมีกำลังส่งให้จิตเข้าไปในสมาธิได้ก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นด้วยก่อนที่จะว่นนั่งก็พยายามฝึกสติไปเรื่อยๆทั้งวันเลยอืออืค่ะ<ด>แล้วสติแล้วต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะผักให้จิตเราเข้าสู่ความสงบ เว้าสงบมันอาจจะเหมือนกับตอกบุ้งตกบ่อกันแล้วก็นิ่งแล้วก็ว่าเย็นสบายแล้วคําบริกรรมเรามันจะหายไปเองหายไปเองพอถึงจุดนั้นแล้วมันจะหายไปมันจะหยุดไปเองอ๋ <ไป S 1> อพ อ, พอกินข้าวพอกิเข้าวอยู่มันจะหยุดตัดข้าวเคี้ยวข้าวเองอืมแสดงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาใช่ไหมคะว่าหนูนั่งอยู่ที่สติอยู่ทีสติถ้าสติดีก็ มก็สงบได้เ ล, ล็วๆก็นั่งได้นานแต่ถ้าสติไม่ดีมันก็จะสงบยากแล้วก็นั่งไม่นั่งไม่ได้นานก็จะรู้พอก็จะงานเจ็บมันก็อยากจะเลิอกอืมค่ะพระอาจารย์ก็คือถ้าอย่างนี้ก็คือหนูอาจจะต้องไปแบบฝึกสติโดยการแบบว่าพวกเดินจงกรมนีก่อนไหมคะแล้วค่อยมานั่งไม่ไม่แต่เฉพาะเดินเดี๋ยวผมทำกิตอะไรก็พุโทโธพุโทโธอะไร ถาน้ำนัำ่งนาแบ่ฟันรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุโทโธพุโทโธมือนกับเดินจงกรมไปในตัวเพราะว่าตอนนี้หนูเริ่มหนูรู้สึกว่าอ่าหนูไม่นั่งสมาธิได้นานแต่ว่าหนู่ไม่ได้ความสุขไม่ได้ความสุขจากสมาธิาค่ะทําให้หนูรู้สึกว่าความสุขจากไอ้พวกแบบว่าลูกรถกินเสียงมันดูดไปง่ายกว่าค่ะมันยังไม่ดีกว่ามันเสงไม่สงบ บางทีบางแพ้มาจะต้องเจอทุกขเวทนาแล้วก็ใช้คําบริกรรมให้มันทีๆแล้วจิตผ่านผ่านทุกขเวทนาไปมันก็จะสงบได้ในบมงทีเวลาเจอทุกขเวทนาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเริ่มพยายามเพิ่มกำลังของสติให้มากขึ้นบาลีกรรมพุโทโธให้มากขึ้นดูมันจะผ่านนะพอผ่านแล้วมันจะนิ่งมันจะสงบ อืโอเคค่ะพระอาจารย์หนูขออีกหนึ่งคำถามสั้นๆนะคะพอดีว่าหนูอยากรู้ว่าอาถ้าสมมติว่าเราตัดความแบบโลภ ก, กดหลงความอยากได้หมดแล้วอะคะ่ะแบบที่อาจารย์บอกว่าอาถ้าเราตัดหมดทุกอย่างเราไม่ต้องมาเกิดอะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแล้วเรายังเหลือกรรมอยู่อย่างเงี้ยเรายังต้องมาเกิดชดใช้กรรมไหมอะคะไม่ตัวที่พาเรามาเกิดคือความอยากต่างๆความโลภ ก, กดหลง พอเราอยู่ความโลภกดลงได้เราเราก็มันกลับมาเกิดกรรมเพียงแต่เป็นตัวที่จะให้เราไปสูงไปต่ําไปเกิดที่สูงหรือที่ต่ําถ้าเป็นบุญมันก็จะ ใ, ให้เราไปเกิดที่สูงถ้าเป็นบาปมันก็จะดึงเราไปเกิดที่ต่ําแต่ตัวที่พายเรามาเกิดก็คือตัวปัญหาความอยากความโลภต่างๆพาไม่มีปัญหาความอยากบุญบาป ท, ที่เราได้ทํามามันก็ไม่สามารถส่งผลได้เมื่อเรามันมาเกิดอื ค่ะพระอาจารย์โอเคงั้นหมดคําถามค่ ะ, ะงั้นไม่ต้องกังวลเรื่องบุญกับบาปให้กังวลเรื่องที่เหลือต่างหาที่เราจะต้องกำจัดมันให้ได้ค่ะพระอาจารย์พยายามตอนนี้คือพยายามเอาคําสอนของพระอาจารย์ที่บอกว่าคนเราต้องมีสติก่อนนะคะพอมีสติถึงอาทิได้เป็นปัญหาสตินี้สําคัญที่สุดพยายามฝึกสติให้มากๆให้มากท่าไหวได้ยิ่งดี แต่ว่าอย่างของหนูก็คือต้องให้มีสติมากๆถึงจะได้เกิดสมาธิจิตรวมใช่ไหมคะตอนใช่ใช่ตอนนี้ยังไม่โดนแสดงสติเรายังไม่มากพออืมถ้ารวมก็คือเหมือนมันจะนิ่งคําบริกรรมหายไปแล้วมันก็ความสุขมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นใช่อหมมั น, มนเป็นความสุขที่มาสะจาใจมไม่เคยพบมาใครเห็นมาก่อนหนูยังไม่ถึงข น, นั้นแต่ว่าจะพยายามต้องฝึกสติให้มากไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งต้องทําทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับ ได้ค่ะโอเคนะลองทํำดูนะจับสาธุขอยพระจันทร์แข็งแรงค่ะไปที่คุณเสี่ยวเมคุนิ้งยังไมคุณนิ้งเสี่ยวเมย์ยี่สามเป็นยังไงด่งสองตัวหลับแล้วเหรอหลับแล้วค่ะพอดีว่าดิดเขาบอกว่ามานอนมานอนด้วยหน่อยโอ้อย่างเงี้ยจับมือนิดหนึ่งแล้วก็หลับแล้วค่ะเขาบอกมาสาธุเขาบอกว่ามาสาธุก่อน เด็กๆก็นรักนะเด็กๆก็นารักนี่ค่ะอาจารย์ก็เป็นอ่าเขาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องฝึกในเรื่องของอารมณ์อะค่ะอาจารย์ันดีมากค่ะก็ไม่มีอะไรก็หนูก็ฝึกเข้าไปนะคะอาจารย์แล้วก็ฟังธรรมะทุกวันนะคะอาจารย์ถดงมากเลยไม่มีอะไรจะถามค่ะอาจารย์ อเป็นอากไปที่ท่านตอไปเลยนะอย่างไรหลายคนด้วยกันคนลูกตาลชนบุรีเชยนนมัสการกับพระอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะเขามาก็สบายดีนะสบายดีค่ะพอดีวันนี้มันมีเรื่องเครียดฟุ้งซ่านแต่หนูนั่งสมาธิไม่ค่อยได้ก็เลยใช้แบบวิ่งแทนนะคะพระอาจารย์แล้วหาเครียดัหม ดีขึ้นค่ะอช่พุโทธโธพุทโธหยุดความคิดนะค่ะอาจารย์สองวันนี้ก็เลยแบบไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยแบบฮเดี๋ยววิ่งสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยวิ่งก็ได้เดินโยกมือก็ได้ดีเหมือนกันค่ะวิ่งแล้วรู้สึกว่าลมหายใจมันก็ชัดดีก็ช่วยช่วยได้ค่ะโ อ, อเคใช้หนึ่งสติกลับมานะ่าค่ะอาจารย์โอเคค่ะอาจารย์ คุณสวัสดีคุณสวัสดีอยู่ที่ไหนอ่าปิดไมโครโฟนนะเจ้าค่ะกลับมามกรรมพระจานทร์เจ้าค่ะอ่าอยู่ที่ไหนจนะ๊ะอยู่ปักช่องเจ้าค่ะมีคําถามอะไรไหมมีเจ้าค่ะคือหนูหนูนั่งสมาธิแล้วหนูดูลมหายใจเจ้าค่ะแล้ว ออลมหายใจมันก็จะหายไปแล้วส่วนส่วนบนส่วนศีรษะมันก็หายแต่ว่าลมมันจะมารวมอยู่ตรงกลาง อ, อกเจากา้าค่ะแล้วกออ็ตัวมันก็ยังไม่หายไปเจาา้าค่ะก็รู้เฉยๆไปไม่ต้องไปสนใจให้สนใจอยู่กับคำบริกรรมถ้าเราใช้คาบริกรรมถ้าเราใช้ดูลมก็ให้สนใจอยู่กับการดูลมไปเจ้าค่ะ ไม่ต้องไม่ต้องไปกัวงวลกับเรื่องอย่างให้อยู่กับลมไม่อยู่กับพุโทโธไปเจ้าค่ะทำไปเรืเร่อยๆเดี๋ยวเป็นทั้งจิตอินทั้งจิตมันจะรวมมันรวมเองอย่าไปคาดอย่าไปอยากนะทำไปเรื่อยๆต้อค่ะถ้า ก, ก่อนจะมานั่งก็พยายามฝึกเสเตเต้ให้มากๆก่อนด้วยจะดีเจ้าค่ะจะได้ผลดี <c oughs> อหายไหเจ้องค่ะหาย หนูอยากจะมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรม ท, ที่ที่วัดยานบ้านเจ้าค่ะได้มาได้ก็หาเวลามาแล้วก็เจ้าพี่พัดได้เจ้าค่ะโอเคนะ ม, ม, คนมันทําให้มีอลไรก็หมดนล้วอาให้นี่ก่อนนะเจ้าค่ะกลับมาวัตกรรมาจาราชการเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะสวัสดีคุณจอยเป็นไงจอยตอนนี้ลูกสาวกลับมาดีใจไหมลย พูดทงางนั้นเลยเสียงค่อ ย, ย ค, ค่อยมากไม่ได้ยินน้องน้องถอดสายออกจะดังกว่าพูดลเราไ ม, รรมาครว่าโฟนพูดใกล้ใกล้ปากอ๋อมากกวโฟนของพูดฝันว่าพูดใกล้ใกล้ปากอะไรกันล่ะน้องถอดสายออกอะไรมัน่ะได้ยินแต่ง่ยังค่อยอยู่ยไม่เป็นไรมี มีอะไรไหมพอได้ยินอยู่อ๋อไม่ม่ยังยังไม่มีค่ะโอเคดีขึ้นนะดีขึ้นนะอ๋อมันไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะคะไม่ได้ยินแล้เนะี่ยก็ไม่ได้เสียผู้ฟังมันจะไม่ได้ยินอะไรนะาถ้าหนูเสียผูกคือพอาจารย์ได้ยินเลยใช่ไหมคะได้ยินนะนี่ได้ยินนะงั้นไม่มีละค่ะเดี๋ยวว่าพ็หนูไปใส่บาตรเหมือนเดิมค่ะ โอเคแพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้วันพระอาันาร้อนนี้นะวันร้อนสุกค่ะสุวันพาะใหญ่วันนี้นะ 11, <ห>นขึ้นสุดพระใช่โอเคโอเคได้เจอกันไปที่คุณคุณเดียคุณเดียต่อลวครบนดอมาอหายไปนานนะคุณเดียครับำรำมากสการพผมไม่โคจรย์ครับขออนุญาตถามมีคำถามครับผม<ไ>ถ้า สมมุติว่าผู้ครองหรือว่าผู้ชีวิตของเราแบบเนี้ยครับผมชอบชอบดื่มหรือว่าไม่ไม่ค่อยสนใจในการรักษาศีลแบบเนี้ยครับผมแบบนี้จะขัดกับโอวาทของพระอาจารย์หรือว่าขัดกับหลักของโมงุลสูตรสามสิบแปดประการไหมครับผมไม่ก็ไม่ไม่ก็ขัด น, นะเพราะเราเขาดื่มน้ำี๋ยวเขาจะชอบดื่มเขาชวเร า, เาไปดื่มน้ำด้วย <c oughs> เรามีควรหลักปฏิบัติหรือหลักพิจารณ나ยังไงที่จะไม่ให้เราได้รับผลกระทบจากตรงนั้นนะครับไมอย่าไปทําตามเขา อ, อันไหนที่เราที่เป็นข้อห้ามาตามพระพุทธศาสนาเขาชวนออกไปทําเราก็อย่าไปทําครับเราเราควรเลิกไหมครับหรือว่าก็ยังไม่ถึงกับต้องเลิกก็ได้ถ้าเราทําความเข้าใจกันว่าอาคุณอยากจะทําอย่างนี้ก็ทําไปแต่ผมไม่ทําอย่างนี้ก็ต้องปล่อยผมอยู่อย่างนี้ ให้เราส่งเงนส่วนต่างประสานส่วนอะไรสิ่งไหที่เราทำกิจกรรมร่วมกันได้เราก็ทำไปกิจกรรมอะไรที่เราทําร่วมกันไม่ได้ก็แยกกันทําไปผมผมกลัวอย่างหนึ่งคือแบบสติเรายังไม่ไม่บริบูรณ์พร้อมนะกลั ว, วแบบซึมซับพฤติกรรมหรือว่าโดยโดยไม่รู้ตัวนะครับรก็ทำไงก็ต้องเลิกกันเลิกเลิกกันได้หรือเปล่ อ, อ, อีกคําถามหนึ่งครับอาจารย์อ่าอถ้าสมมุติว่าเราอยู่แต่ก่อนผมเคยอยู่ปากช่องแล้วอยู่ใกล้ท่านอาจารย์แยสาโลเวลาเวลาเรามีความทุกข์หรือว่ามีอะไรแบบเนี้ยแค่คิดว่าเราจะไปใสาบาตแบบเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจของเราจะหายหรือว่าบรรเทาลงไปเยอะเลยครับแต่ทีเนี้ยเราผมย้ายกลับมาบ้านอยู่คนครพนมแล้วทีเนี้ย เราอยู่ห่างพ่อแม่โอจารย์ที่ที่เราลงใจอ่ะครับแล้วแล้วรู้สึกว่ากําลังใจในทางธรรมเราแผ่วลงเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเนี้ยครับผมพยายามจะใช้อุบายต่างๆในการที่จะเพิ่มกําลังใจให้ตัวเองเพราะว่าเราแบบว่าอยู่อยู่ไกลพ่ะแม่หัวใจไม่ได้เห็นแบบอินเพรสเซน์นะครับอาจารย์เราก็มีจะมีหลักยังไงครับว่าที่จะเพิ่มกําลังใจในทางธรรมของเรา ก็ให้ตื่นพยามาหนังสือของท่านเยอะๆบ่อยๆเอามาหนังสือแล้เอาคำสอนของท่านมาอ่านแล้วก็รมยาก็จะฟังอยู่ในใจเราในเวลาที่เราเกิดความทุกข์ใจแล้วก็เอาคำสอนของท่านนึกถึงคำสอนมันก็จะช่วยเราได้ถ้ามีหนังสือป่าท่านทำหนังสือป่ะมีมีครับอหนังสือแล้วมีมีเสียงมี youtube เนี่ยก็เดินเปิดยูยูทูบไปเรื่อยๆดูบ่อยๆ อันนี้ก็จะช่วยได้สมัย น, นี้เราโชคดีเราไม่ต้องไปหาท่านที่ที่วัดนะเพราะท่านสามารถเข้ามาในมือถึงเราได้แต่กําลังใจจะไม่ได้เพิ่มเหมือนตอนที่เราไปไปวัดท่านหรือไปที่สถานที่นั้นเลยก็ไม่แน่ลองลองทดลองดูแต่ลอที่ดูจริงๆอยูด้วยสติมันก็อาจจะมันก็ดีกว่าไม่ได้เดนดูพูดง่ายๆอาจจะไม่ไม่เหมือนกับตอนที่ไปพบท่านเลยก็อาจจะก็ ก็เป็นเป็นไปได้แต่จะทําไงได้ในเะมื่อเราอยู่ห่างไกลเราไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องอาศัยอย่างตอนที่เราพระพุทธเจ้าตายไปแล้แต่เรายังสามารถเข้าหาพระพุทธเจ้าได้โดยการอา่านพระสูตรต่างๆพระพุทธเจ้ามันก็ดีก็ไม่มีพูดง่ายใช่ไหมครับอาจารย์ ก็ไม่แน่นะเราดูบ่อยๆนะมันจะทราบซึ่งไม่ภายในใจของเราบาอาจารก็ได้เราอย่าไปเราอย่าไปยึดติดกับรูปแบบแว่าต้องไปเจอตัวพระเจ้าบอกว่าผู้ใ ด, ดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใ ด, ดเห็นคําสอนของพระเจ้าผู้น ด, ด้เห็นพระองค์เจ้าเราเห็นคำสอนของครูบาอาจารย์เรื่องไหนแล้วถ้าบารมได้ไปเห็นครูบาอาจารย์เรื่องนั้นนะบางทีแบบอยากอยากไปว่าจน มันทีจนเกิดความทุกข์แบบนี้ครับเป็นกิเล น, นะอย่างนี้ถ้าเป็นกิเลสถ้าอยากมาทําไม่ได้ก็ต้องหยุดมันอครไไัแต่ถ้าอยากก็ไปได้ก็ไปเลยแถ้าอยาก้็ทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไว้ชัวว่วคราำตอนนี้ไม่สะดวกที่จะไปก็ต้องรอร อ, อกาหน้านมีความอยากที่ดีแต่ต้งแต่ต้องรู้จักวัการาเทะรู้จักเวลา ว่าทําได้เนี่ยทาไม่ได้ถ้าทําไม่ได้เราทุกข์ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่อยากหยุดไว้ก่อนถ้าแบบว่าตอนกลางคืนแบบเนี้ยเราแบบบางทีแบบมีงานทั้งโลกต้องทําเราเราไม่อยากเราไม่อยากทํางานเราอยากฟังธรรมเราเราอยากดูพ่อแม่ครูอาจารย์แบบนี้เป็นเรื่องดีไหมครับเป็นเราต้องเราต้องรู้จักแยกแยะเวลาเวล า, เวลาทํางานก็ทําทไปเวลา ที่เราคอรจะเอาเวลามาให้กับธรรมะล้วก็ต้องมีเวลาของเราไม่ใช่ปล่อยให้ทํางานไปทั้งวนันทั้งคืนไม่มีเวลาต้องแ บ, บ่งเวลาให้ถูกงานทำเท่าที่อย่างเป็นพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็พออย่าไปหวังว่าต้องเป็นมห า, าเศรษฐีเลยตายไปก็ทรัพย์สมบัติต้องไปไม่ได้เราต้องเอาธรรมะไปได้เราเอาธรรมะไปได้เราต้องมาชักธรรมะดีกว่า ต้องแบ่งเวลานะครับทางโลกก็ต้องทำทางธาร ม, มก็ต้องทำมันจะได้เจริญทั้งด้านจิตใจนะทางร่างกายไปควบคู่กันไปมีอะไรไหมไมีไม่มีแล้วครับอาจารย์ได้ไหมมีคำถามอะไรก็เข้ามาได้ทุกวันพุธเราก็จะมีชมประชุ ก, ชกันทุกวันคืน ไม่เนึนว่าท่านอาจารย์จะจาผมได้ผมเข้ามาสองครั้งไ่้หลายคร<า>ั้งแรกได้หลายทีเป็นศัตวแพทย์หรือเปล่าเป็นอะไรเป็นเภสัชอ๋อไม่ครับเป็นนักสาธาสูข ค, ค, ครับผมอาจารย์นักสาธาครับผมเดี๋โอเคนะครับแคุณนายสอนะคุณคุณกอฟกอลฟี่ ครับนำการร้อสการครับระจารยมีอะไรไหมก็ยังไม่มีเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนได้คําสั่งสอนที่อาจารย์บอกว่าให้ทํางานคนเดียวไว้รับลูกน้องก็จัดจัดงานให้มันโปรมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ซื้อเครื่องพิมพ์ใหม่ก็หาเอาซ็อตเอาข้างนอกอะไรเงี้ยครับก็พยายามกำลังจัดการอ่ต้องอย่าไปทํางานเกินมากเกินไปเลยตายไปก็เอาไปไม่เอาไ ป, ไ, ปไม่ได้ เอาแบ่งกระามาให้เราการปฏิบัติทำเลยก็ธรรมนี้เราทําได้เท่าไรเรเอาไปได้หมดเลยทํางานสรางโลกก็เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอพออยู่พอกินก็พอเศรษฐกิจพอเพียงอย่าเป็นโลกแล้วจะตายเมื่อไหร่กัรไปด้วยกัได้เกิดตายพรุ่งนี้สมบัติใช้หายไปแล้าเป็นแทบตายแคการมีของคนหนึ่งได้หม ก็จะแบ่งคือคิดว่าจะแบ่งเวลาครับก็เวลา น, นี้ทํางานเต็มที่แล้วก็ต้องแบ่งเวลาม า, าพนะานาเป็นที่เหมือนกันอต้องแบ่งเวลาต้องให้มีเวลาต้องร่างกายก็ต้องมีเวลาให้มันไปจิตใจก็ต้องมีเวลาให้กับจิตใจครับโ <Okay. S 2> อเคดีใจที่ครับอราได้สู้กับความหิวได้ก็ ตอนนี้มีตัวช่วยนิดหน่อยครับมีพวกอาหารเสริมพวกโปรตีนแล้วก็คือไม่ได้กินข้าวเยอะเท่าไหร่หรอกครับนี่ต้องใช้อะไรสงูงแบบพิ่งๆเข้าไปไหมั้นใช้ธรรมะดีกว่าใช้ธรรมะอสศดดีกว่าแต่นี่ทำอดทนชิวเข้าไปมนะันหิวไปเอาไม่ตายหรอกเดี๋ยวไม่กี่ชัมองเดี๋ยวก็ได้กินแนละ้วเ็อย่างนี้ดีกว่าเหมือนครั้งที่แล้วครับเ อ, อี๋ยวครับจะลองดูครับ แต่เราเด็ดหรือว่ารายงานครับผมอืดย่าไปใช้มาแก้ปัญหานีไอ้ตัวที่เราใช้มาแก้ปัญหาจะกลายเป็นปัญหาต่อไปเดี๋ยวไปติดอะไรอีกใช่ไหมใช้ธรรมะดีสุดใช้ธรรมะสดดีสุดใช้คันติใช้ความอดทเดี๋ยวก็ผ่านไปความหิวแค่นี้ไม่ตายหรอกที่เียงปลมันถมไปครับ เอาได้พระอาจารย์ไปชี้แนะสั่งสอนมาตลอดครับแล้วก็นําไปปฏิบัติครับขอส่งเจ้าส่งเจ้ารับเข้ามาคนสุดท้ายนะครับเจ้จัดคิวอย่นูหนูเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วค่ะพระอาจารย์ตอนหนูสังเกตว่าซูมเนี่ยถ้าหนูไม่เปิดกล้องอ่ะหนูหนูจะตกไปอยู่สุดท้ายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็จะ อยากฟั ง, งคนงอื่นพูดก่อนะแล้วก็ฟังแล้วก็บางทีได้คำถามจากการที่นั่งฟังคนอื่นแล้วหนูก็จะขอมาแบบสุดท้ายแล้วค่อยมาถามอะไรนะเนาะมีไหมคําถามวันนี้วันนี้มีค่ะอาจารย์คือเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเรื่องเอ่อเหมือนทีเราทํามาหากินเพื่อแค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช่ไหมคะคือหนูอ่อหนูอยากจะ ทำลิสิทธิตัวที่สองอตอนนี้หนูก็มีบิขสิทธิแล้วหนตัวแล้วมันก็ไปได้ดีใช่หะทีนี้ตัว mm hmm. ที่สองเนี่ยหนูก็คิดเสมอว่าจะทำทำไมให้มันเป็นให้มันเป็นาละขึ้นมา mm hmm. เ อ, อ่อทำไมถึงแบบไม่พอสักทีอะไรอย่างเงี้ยคะทีนี้ mm hmm. คำถามของหนูก็คือ ถ้าเกิดว่าหนูมีความรู้สึกว่าหนูเบื่อทั้งโลกแล้วอยากจะพอได้แล้วอะ่ะหนูควรที่จะเอาเวลาเนี้ยไปนั่งปฏิบัติถูกไหมคะแต่ปรากฏว่าในชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะหนูก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเยอะคือหนูก็นั่งสมาธิค่าตื่นเช้าอา่ได้มากสุดก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงส5สิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งอีกทีก็คือก่อนนอนแค่แค่สองครั้งเองค่ะต่อวันคือหนูก็เลยรู้สึกว่า เนี่ยจริงๆมันเป็นกิเลสหรือเปล่าที่หลอกเราทํามาเป็นเหมือนพูดว่าเออเราอยากจะไปทางธรรมแต่จริงๆถ้าอยากไปทางธรรมจริงๆก็ควรจะเอาเวลานั้นมาปฏิบัติสิคือจริงๆแล้วเหมือนมันเป็นความที่เกียดหรือเปล่าคะที่ว่าหลอกตัวเองว่าสุดท้ายแล้วปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ทางโลกทํามาหากินก็ไม่ได้อะไรแบบนั้นเรายังไม่มีจุดดึงดูดจิตใจเราให้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ผลจากการปฏิบัติมันก็เลยไม่มีแรงดึงดูด เพียแต่มีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นอยากจะปฏิบัติแต่มันไม่มีตัวดูดคือตัวดูดก็คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือความสมมางบงั้นตอนนี้เราต้องพยายามปฏิบัติให้มันได้ผลขึ้นมาพอมันมีผลเราเห็นผลว่ามันดีต่อเรามีความสุขมากกว่าความสุขในรูปแบบหน่งมันก็จะเป็นตัวที่จะทําให้เราอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเองอืมก็คือ ท, ทาไปอย่างที่ทํา เป็นแต่คิดว่ามันดีมันมันมันไม่พอคิดว่าการปฏิบัติทํามันดีแต่ถ้าเรายังไม่เคยเห็นผลของจากการปฏิบัติมันก็บางทีก็จะถกทิเดะมันมามาขัดขวางได้เห็นตอนนี้ก็พยายามปฏิบัติท่าที่เราปฏิบัติได้ได้ก่อนตอนนี้นะ้วก็พยายามให้มันได้ผลให้เห็นหเห็นความสงบที่เกิดจากการฝึกสตินั่งสมาธิพอมันได้ความสงบแล้วทีนี้มันจะเกิดฉันทาวิริยะขึ้นมา กิความยินดีเก่ดความขยันหมั่นเพียรขึ้นมาโดยอันตโนมัติแต่แล้วต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติแลวต้องบังคับใหม่ๆต้องบังคับเรายังไม่ได้ผลเราก็ต้องคอยบังคับมันให้ทำให้มากโดยเฉพาะสติต้องฝึกสติให้มากถึงเราสามารถฝึกได้ตัง้งแชีวิตประจำวันของเรา เราได้เตะขึ้นมาแล้วก็คอยควบคุมความฟิมดนด้วยการใช้คำบริกรรมพุทโธหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปจบไปแล้วพอเวลามานั่งสมาธิถ้ามีสตินี้มันก็อาจจะสงบได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วมันจะบอกแล้วเราจะรู้เองว่าเราพร้อมที่จะในปฏิบัติอย่างเต็มที่หรือไม่ เราจะรู้กำลังของเรอาอต่อไปนี้เราสู้กิเลสได้แนละ้วสู้กับความอยากในรูปเสียงกลิ่นโน้นได้นะออแล้วเาก็จะสามารถไปปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เข้าใจไหมแต่ตอนนี้ก็พยายามอย่าไปทำงานเพิ่มให้มากเกินกวความจำเป็นเลยแบ่งเวลามาให้กับการฝึกสตินั่งสมาธิจะดีกว่า ว่าทางโลกมันก็ได้เท่าไหร่ตายไปก็ไปไม่ได้เท่บาทเดียวใช่าหมงดยามาทำไมเอามามีเงินมาก็ไปตอบสนองกิเสตปัญหาไงไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่าง ๆ, งๆไม่ใช้กับความสุขทางรูปเสียงกินนรดเงินทองมีไว้เพียงเอาไว้เรื่องดูรา่างกายอะไรนะั้นหละหน้าที่ของเงินทองที่แท้จริง ตองน้นมันจะเป็นภยัยต่อจิตใจถ้าไปใช้กับการเสียงรูปเสียงกลิ่นต่างๆมีอะไรไหมออไม่ได้เปิดไหมโอเคพอดีหนูกดปิดเพราะเสียงหนูอยู่ตรงข้างนอกแล้วเสียงมันดังแล้วถ้ากดปิดปั๊บมันกดเปิดอีกทีไม่ได้ค่ะ แต่ว่าเมื่อกี้ที่ฟังได้ยินพระาจารย์พูดทุกอย่างค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็แต่พอดีว่าหนูหนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่อยากให้พ่อแม่พี่น้องต้องมาคอยห่วงเราแล้วก็เหมือนเขาอยากให้เราสบายเขาก็จะพยายามทำอะไรดีๆให้เราอะไรแบบเนี้ยค่ะหนูก็เลยนั่นคือเหตุผลที่หนูรู้สึกว่าหนูอยากจะสร้างอีกตัวหนึ่งเพื่อที่ให้เขารู้สึกว่าแบบ ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเราอยู่เราอ่ะไม่ได้ชอบความสุขสบายในระดับที่เขาอยากจะให้เราพอใจของเราตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเขาเห็นว่าพอเรามีของเราเองแต่เราก็ไม่ใช้อยู่ดีเขาเธอได้แบบไม่ต้องไม่ต้องพยายามยัดเยียดอะไรเกินไปให้อะไรอย่างเงีมันก็ถ้าดูนะครับก็ลงดูว่ามันจะทำให้นํามีเวลาน้อยลงไปหรือเปล่าในการในการปฏิบัติค่ะ ทีนี้หนูขอคําถามสุดท้ายค่ะตรงเมื่อกี้พายตาพูดถึงอิธิบาสต์ขึ้นมาตรงคําว่าจิตตะกับวิมังสามต่างกันยังไงล่ะคะพระอาจารย์ว่จิตตะก็คือใจใจจดจ่ออยู่กับเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ไม่วอกแวกไปคิดเรื่อ ง, งนั้นเรื่องนี้ถ้าเราสนใจปฏิบรรัติทำจิตใจเราก็จะจ ด, ดจ่ออยู่กับการปฏิบัติทำอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องจะไปเที่ยวที่โน่นไปเที่ยวที่นี่อะไรต่างมันจะไม่มีไปเนะ่ย ใจมันมีมีเป้าหมายของมันมันจับจอยอยู่กับเป้าหมายของมันอย่างเดียวใช่ตอนวิมังสาก็ไข้คนคิดแต่เรื่องเรื่องของการปฏิบัติว่าปฏิบัติยังไงถึงจะได้ผลดีกว่านี้จะทํายังไงบ้างอะไรต้นคือวิมังษามันหาหนทางที่จะเอ็ r o ิลมันอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอาปัญญาเข้ามาหรือหรออาจจะพิจารณาความบกความันมาทําตรงไหนผิดตรงไหนไม่ถูกอะไรเงี้ยเป็นต้น ก็จะพิจารณาคิดแต่เรื่องของการปฏิบัติของเราเีไงทบทวนมากดูดูว่าเราทําตรงไหนผิดทำตรงไหนทําตรงไหนถูกตรงไหนผิดก็แก้ไขตรงไหนถูกก็ทําให้มันมากขึ้นไปในวิวิมังษาอถ้าเปรียบเทียบเป็นภาษาอังกฤษก็ออกแนวประมาณ analyze อะไรก็ตามส่วนจิตตาก็เป็นความเหมือนกับเป็นสมาธิมีจิตจดจ่ออยู่กับงานที่ของเราทำ มือนเป็นโฟกัสเป็นคอ uh, <Focus, S 1> นเส็งอยู่ น, น okay. Okay. านตัดไปจิตจะไม่ <Okay. S 2> มันจะไม่เป <Okay. S 2> ็นคิดเรื่องหนึมันจะไม่สนใจเรืยอว่าไปเที่ยวที่นั่นดีไปเที่ยวที่ไหนดีมันจะคิดแต่เรื่องปฏ <Okay. S 2> ิบัติอย่างเดียวทีนี้ถ้าสมมติว่าหนูสังเกตว่าความคิดหนูเนี่ยหนูจัดมันออกเป็นสองหมวดหมวดแรกคือเหมือนเราดูหนังอันนี้คือเวลาไม่มีสติเราปล่อยคิดไหลมันจะแบบคนนน้นคุยกับเราเราตอบเขาแบบ น, นั้นอะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้ความคิดได้หมวดที่สองอะมันเป็นลักษณะเหมือนหนูถามตัวเองแล้วก็ให้คําตอบกับตัวเองค่อยๆพิจารณาปัญหาค่อยๆแก้ไปอันนี้ถือเป็นเหมือนเป็นวิมังษาในทางโลกหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นเป็นเป็นน่า <c oughs> ริกก่ด้วยเหตุด้วยผลโอเค <c oughs> ทีนี้ตอนหนูขาขาที่หนูมาเยี่ยมคุณแม่รอบเนี้ยหนูก็ลองนั่งที่ทุกคนทํากันนะคะนั่งนั่งเฉยๆบนเครื่องบินหนูก็ไม่เปิดหนังดูอะไรนะคะแล้ว สรุปว่าหนูก็แพ้ค่ะหนูทําไม่ได้คือใจมันคอยแบบลูกกระตาเนี่ยก็หันไปมองจอทีวีคนอื่นคือมันก็ไม่มีเสียงอ่ะนะคะแตนหนูก็แบบตะพันนังไปมองอีกแล้วแล้วหนูก็ต้องคอยแบบต้องอยู่ที่ที่ไม่มีอะไรว่าต้องมาอยู่ที่ไม่มีอะไรม า, ม า, ม, ามายียวยันกนใจนราค่ะทีนี้หนูเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูบินกลับแล้วหนูว่าหนูจะลองอีกอีกอีกทีหนึ่งขอลองอีกสักเดียวแต่แบบคราวที่แล้วค่ะไปหนูแพ้ตรงที่ว่า สุดท้ายหนูก็โอเคตัดสินใจหันหน้าหนีไม่มองแบบหันหนีไปเลยอย่างนี้ยค่ะแล้วหนูก็พยายามพุดโธแล้วยอ ย, อยู่พุดโธมันก็หายแต่ไม่ได้หายแบบมีสมาธินะคะมันหายเพราะมันมีความคิดเข้ามาแทนแล้วหนูรู้ตัวอีกทีก็คือเอา้าเราพูดโธแล้วหายเว้นกี่เมื่อไรอะไรอย่างเนี้ค่ะยากการปฏิบัติธรรมถ้ามีของมีแสงสีเสียงอยู่ใกล้เราเี่มันลาบากยิงถ้ามีคนนักินข้าวด้วยเราไม่กินมันก็จะทําให้เราหิวขึ้นมาใช่ค่ะ อนนี้อยู่อยู่ที่เมืองไหนอนนี้อยู่ปลอยิดาค่ะพาการ้อนร้อนหนาด้วยอนนี้ร้อนร้ตอนนี้ร้อนร้อนค่ะที่ที่ปอริดาค่อนข้างร้อนแต่ว่าพอร์ตแลนด์ก็มาร้อนอยู่เอ่อมา์โกไอแลนด์ค่ะหุ่ทางตอนใต้มใกล้แมมมี่เลยอยู่ฝั่งตะวันตกค่ะแมมมี่ฝั่งตะวันออกอ่ะแต่อยู่รัฐเดียวกันค่ะปลอยิดาแล้วพรุ่งนี้บินกลับค่ะ แล้วนี้แะค่ะพรอาจารย์ก็ถือว่ามาฮอลิเดย์แม่อยู่ที่นี่ใช่ค่ะค่ะคุณแม่อยู่ที่นี่แล้วนูก็โชคดีว่างานหนูทงานที่ไหนก็ได้แค่มีอินเทอร์เน็ตโอเคนะะโอเคสาธุคาะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะพยายามฝึกเสติให้มากๆนะค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพอาจารย์สาธุค่ะ่รู้สึกตอนนี้ก็บ่นคำถามในห้องแล้วก็ไปที่คุณดาต่อคุณดาเชื่อครับกลันมรดกค่ะพระแซน มีทั้งหมดเจ็ดคำถามจากทาง a ฟ e b o o k และยูทูบแล้วค่ะห้าคำถามแรกจากคุณธีรภูมิกราบนมัสการพระอาจารย์ครับคำถามข้อที่หนึ่งการบอกบุญที่ถูกต้องกับการเรียร์ไรที่ไม่ถูกต้องแตกต่างกันอย่างไรครับคดอเราพูดในเชิงบังคับของให้เขามาทําบุญนู่นกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการเป็นการเป็นบังคับของการบอกบุญนี่นะอา จ, จะพูดแบบ กลางๆบว่าปีนี้จะเป็นเจ้าภาพทอดกรถิน่นมันจะเรียกมาบอกบุญแต่ถ้าเราซองมาให้เขาด้วยเลยในการเรียล้ายในการบังคับของเบอกบุญได้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อาทิตย์หนจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วไม่มนำบัตรชิญมาร่วบอะไรอย่าไปพูดในทํานองชักจูงเา่าเองแต่บอยก็รู้ว่าเราบางันจะทําบุญแค่านั้นเอง อ ย, อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการบอกบุญอย่างถ้าบอกแล้วเป็เชิญพี่มาร่วมกันหนนะ่อยนะแล้วมันช่วยกันหนนะ่อยนะอันนี้เป็นการเป็นการไปบังคับก่อนนะอย่าไปบังคับครัผมคำฐามข้อที่สองจำเป็นไหมครับว่าการเข้าอนิกกะหรืออัปปนาสมาธิแล้วทุกคนจะต้องเกิดความมหัศจรรย์ใจครับ เกิดนี่มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยพบเไปเห็นมาก่อนจิตที่นิ่งสงบนี่มันของมาที่มาสัจจรใจอย่างยิ่งคำถามข้อที่สามการทำหมันสัตว์บาปไหมครับไม่บาปคำถามข้อที่สี่เกี่ยวกับศีลข้อที่ไม่ให้นอนบนที่นอนหนานุ่มวัตถุประสงค์คืออะไรครับ ถ้านอนบนที่นอนหนานุ่มแต่ตื่นได้ตรงตามเวลาที่กําหนดเช่นตีสองหรือตีสตื่นแล้วลุกมาภาวนาเลยแบบนี้ได้ไหมครับจะว่าได้ก็ได้กลัวจะมันจะมันถึงเวลาจริงมันจะไม่ได้มากกว่าก็ลองทำดูดแล้วกันถ้าพอาตื่นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวแม้มันสบายไม่อยากจะลุก้็จะนอนต่อ ลองลองลองทำดูก็ได้เป้าหมายก็คือให้นอนทอาที่จําเป็นต่อบความต้องการของร่างกายเพอร่างกายได้พักผ่อหนหับนอนพอเต่งขึ้นมาแล้วถ้า น, นอนบนที่มันสบายมันจิตมันยากไม่อยากจะลุกนะดูสิเราจะสู้กับกิเลสตอนนี้ได้ป่าตอนนี้มันเต่ง ข, ขึ้นมาแล้วคำถามข้อที่ห้าการที่เราไปช่วย ปลาหน้าเขียงเราช่วยชีวิตเขาก็จริงแต่ทำให้เขาต้องอยู่ในภพเดละชานที่นานขึ้นถ้าเขาตายไปที่หน้าเขียงเขาอาจจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีขึ้นแบบนี้เราควรคิดอย่างไรดีครับก็เราคิดว่าถ้าเราเป็นปลาเราจะเอานะัทางไหนดียอมตายหรือยังยอยางจะอยู่ต่อ มีคนพยายมาช่วยชีวิตคุณนะคุณบอกไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวผมผมขอตายดีกว่าผมจะไม่หมดกรรมนี่ก็แล้วแต่คุณคุณคิดดูเอาก็แล้วกันคำถามต่อไปจากคุณมงคลอยากรู้เรื่องการฝึกจิตแยกกายพอกลับมามีสติจิตก็หลุดฝึกอย่างไรต่อครับยังไม่ก้าวข้ามจิตตรงนี้ครับเบื้องต้นก็ต้องใช้สติแยกแยกใจออกจากกายมืน ฝึกสติแล้วนั่งสมาธิจนทําใจให้สงบพอใจสงบใจครับร่างกายก็จะยากออกจากกันชั่วข่าวแล้วพอเราแยกด้วยด้วยสติไนดะ้แล้วพอออกจากสมาธิมาเราก็มาแยกด้วยปัญญาสอนว่าร่างกายเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นอย่างหนึ่งใจเป็นผู้ผู้คิดร่างกายเป็นอิน้ำลมไฟเป็นผู้รับคําสั่งจากใจอีกทีหนึ่งใจไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายไม่ใช่เป็นใจ อันนี้นั่นต้องสอ น, นด้วยปัญญายากด้วยปัญญาคำถามสุดท้ายจากคุณซับตราพวกนมอัลมอนต์นมถั่วพวกกระทิ๊สีแปดดื่มได้ไหมคะพระอาจารย์หลังเที่ยงว่าแล้วเพราะถือว่าเป็นพวกพวกนี้ถือว่าเป็นพวกอาหารทั้ ง, งหมดเคื่องดื่มไม่ใช่เป็นเครื่องดื่มแบบสี่ปัญญาเป็นเพสันก็ดื่มไม่ได้ หมดแล้วโอเคเอานาก็หมด น, นีเปี้ยเลยนิดเดียวเหนือนาทีหนึ่งก็อขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งนี้ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ